ท่านประภูมแม่กาลุศาสท่านกล่าวว่าว่ากูจะดีทองนั้นเตนมชาดีเป็นมชาทีา่มีแม่กาลูเอื้อเพื่อต่อไปชาชนทั่วไปเดี๋ยววัดของท่านก็ได้พัฒนาดีโบสถ์คือโบสถที่สร้า ง, ง, างาสวยงามสวยงามหน้าพัฒนาทอท่านลงมือทําเองหรือพระพูมแม่กาลุศาสออกไปลู้สึกที่นี่เหมือนกันแล้วก็กัลยาธรรมศพคา สร้างว่าใหญ่โตท่านก็ลงมือทำเองแต่ชาชนก็เกิดเรื่องสายสะทาก็มาถวายจะตุดปัดจจายกร้างแล้วก็ดูเมนที่เขาสอบรดาถานที่โยงไปมาในวันนี้โอ้โถงใหญ่โตเราจะเห็นเสาสลานั่นก็ปกจำนวนเวลาร้อยปีแล้วมาสร้างใหม่สร้างขึ้นและโยงคงไปนั่งมาแล้วในวันนี้ สนนี้ท่านก็พัฒนาผู้ติผู้ติก็เก่าแก่ทุดโทรมก็ส่างจำนวนหลายแสนบาทเพื่อการประตาบให้แต่ประสงที่วัดนั่นคือท่านก็เอาใจ่ายกิจาการผู้ประสงเปประโยชน์ต่อประชาชนและเป็นวัดที่ศูนย์กลางถึงอำเภอคลอมบุรีวัดในอำเภอนี้มียี่สิบเจ็วัดในการปกองนั่นและจังหวัูเมฆการากนั้น ท่นาทนเจ้าวาดท่านเต็มระมีอัิยาสายมีเมตตาต่อประชาชนแล้วก็มียาดีด้วยใครไปโรคมะเร็งไปโรคอมาาพมาสมหาท่านท่นมียาให้วันนั้นมียาแก้ออมาาพาสแต่โรคมะเร็งแล้วก็โรคตายโรคอะไรหลายหลายอย่างท่านมียาให้แล้วท่านเอื้อเพื่อต่อไปชาชน ก็เป็นที่นานโมทนาที่โยมทําบุญคงไม่ผิดหวังได้เห็นกุติที่สร้างอยู่ได้สร้างกําลังทําทุกวันนะแบบที้ต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากเกียตามสารในกุติของท่านที่อยากโยมไปเสียตลาดจะถูกัจะจายเสียคานสร้างอุรีสงไปกังผานั้นจะได้อานิสงมากกว่าจะได้มีที่อยู่ที่อาศัยข้องตอนในนาค ตาลบโยมคงไม่ผิดหวังกล้าก็ไม่กัมือเห็นกับหูกับตารู้กับใจบางแห่งเขามาเรียรายหน้าบ้านหน้าร้านหน้าบริษัทเราก็ไม่รู้ท่านผู้มาเรียลายนั้นเอาไปสร้างจริงหรือไม่ประการใดเรามาทําก็ไม่กัมือนะแล้วอย่าที่อยู่ที่อาศัยชัดเจนแล้วมูลกุศลจะถูกปัจจัยยถาทานแต่ละบาทแต่เรล้อแต่ละาชัาง่งก็เอาเข้าไปในการอสร้าง เห็นด้วยทันตารวมจะรู้สึกดีใจมากมีประโยชน์ในการสร้างให้เกิดประโยชน์ต่อพระองต่อประชาชนเรียกว่าสังฆทานเป็นผลงานอีกประการหนึ่งอาตมาพอสรุปได้ความว่าเหมือนเราไปทำนาทำนาดีพืชพันก็ดีน้ำท่าดีอากาศดีนาก็ได้ผลพืชผลก็ได้ประโยชน์ แต่เราไปทํานาบนยอดเขาหรือที่นาดอนๆไม่มีน้ำมีท่ารับรองไม่เด็ดประโยชน์อันนี้ที่โยมาทําบุญในวันนี้นั่นคงไม่เสียผลคงได้ผลอย่างสมค่าศาสนาแล้วมาด้วยตัวเองเช่นนี้ได้บุญร้อยเปเซ็นแต่เราฝากจะตังเข้าไปทําบุญเราก็ไม่เห็นก็หูลู ก, กตาเราก็ได้บุญธรรมดาถ้าเรามาเองด้วยความยหื่อยากเสียสละเวลามาจากบ้านแล้ววันนี้เป็นวันอาทิตย์ จะการงานบริษุทธิห้างงูส่วนจาําขัดก็ปิดว่างานแล้วก็ได้มีโอกาสทาบุญคุนทานทานกุศลของโยมก็ไม่เสียหายทานบริสุทเกตนาที่มาด้วยความเหนื่อยยากรยุตลาเวลามาก็บริสุทแล้วก็พระสงฆ์ที่รับทานคุอพครูเมตตานุศาสาร์เจ้าว่าวกรีอทองนั้นก็บริจุทเป็นพระที่น่าเลื่อมใสน่าวายน่ากราบน่าเคารพน่าบูชา เพราะทางควาประโยชน์ต่อประชาชนเห็นผลทันตาโยมจะได้รับผลอนิสงส์ดังต่อไปนี้ขอฝากญาติโยมได้รับฟังดังนี้หนึ่งที่กางสาระประโยชน์นี้เกิดขึ้นรับรองจะไปอยู่แห่งหนาบลใดประเทศสิศนสารใดจะไปเกิดในบ้านเศรษฐีหมาเศรษฐีมั่งมีทรีสุกตลอดการตระวัติาสร์ประการที่สองนั่นเล่าจะไปเกิดแห่งหนทบบใดจะเต็มไปด้วยบัณฑิต มักวีมีนัปกปราชญ์เญาติ น, อน้องซ้อนหลังานที่สามจะไปเกิดแห่งผลสมบลติจะมีเวกศาสตร์แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรักษาอยู่ใกล้คิดเป็นมิตรกับตัวเราโลกภัยไข้เจ็บประสหายไปดังที่กล่าวแล้วเชื่ออยูกันหลัการที่สี่นั้นเล่าจะไปเกิดแห่งผลประเทศสินฐานอันใดจะเต็มไปด้วยมหาวิทยาลัยให้ลูกไเรียนมีวิชาความรู้สูง ตลอดไปจะเกิดถึงแห่งหนตำบลใดประเทศสินฐานใดจะเต็มไปด้วยน้ำไฟให้ความสะดวกให้ความสบายทุกประการานับว่าการพ่อสปาในวันนี้ได้ลับน้นอานิสงดังที่กล่าวมาข้อตอนทุกประการอาตมาภาาเพราะอนุโมทนาแล้วก็คณะเราก็ได้พามาวัดอัพวันมานี้เพื่อมาเยี่ยมเยียนกันอาตมาถือว่าเป็นญาการเป็นญาติสนิทมิตรหายกัน เพื่อจนาคศต่อไปในวันข้างหน้าคือสนิทการก็มาเยี่ยมเยียนในวัดนี้คือวัดมื้คือวัดอัมพวันหมายความว่าวัดอัมรวันอำเภอตรังบุรีจังหวัดสุรินบุรีมีอายุแปดร้อยกว่าปีภาษาจีนที่โบสถ์ที่ข้างว่าชเขียนด้วยตู้ซ่าต้นไม้โบตกาวเรียกว่าสมัยหมิงเที่ยวและสมัยจีนกลางเรียกว่ามิงจู่ต้ไม้หมิงจู่ต้นไม้หมิงเที่ยว สร้างคนตปืนสร้างสมัยเจ็ดร้อยแปดร้ตีนูนบัดนี้ก็ทุกซอมสร้างใหม่เรียกน้อยแล้วมีกระการเทีนอยู่ในโบสถ์นั้นเจ็ดปีกระตังสมัยเก่าสมาชิ็วไา้ฝังว่ายในโบสถ์เขาตามเคยอันนี้ก็เล่าประวัติสั้นๆ้โยมฟังว่าวัดนี้มีสมไยหนึ่งเที่ยวตลอดมาลึกอาจจะก่อนนั่นก็ไม่กล้าดังกล่าวแล้ว คนทีนนำเรือกาปั่นมาพาขายกับสมเด็จชนาลายมหาราชผ่านแม่น้ําจ้าพยาผ่านปากน้าบางุสาสุรโวงถึงในกสร้างโบสถ์วัดนี้เป็นประปุชัดมาโยมก็ไปชมได้เดี๋ยวนี้เป็นโบสถ์ใหม่ก็สร้างทับที่เดิมมีกองอามีกังไสมีหยกมากมายก็ฝังไว้ในโบสถ์นั้นเป็นเดยวกันเนี่ ย, ยโยมมาที่นี่จะมารู้สึกดีใจ รู้สึกปลื้มใจมากข อ, ข อ, ขอปฏิการฐานพระวตาญาติยมในโอกาสนี้ด้วยวัดนี้วัดพวันนี้ขนาที่นั่งนี้คือหอประชุมอบรมคนทั่วประเทศเพื่อปลุกคลุให้ตื่นแต่พลุให้เป็นงานมีปัญหาอยู่อย่างนี้และขณะนี้คำสลาก็ถูกคนหนึ่งพันกำลังเดำเนินงานสร้างอยู่ห้องหน้ามองรวมจะทำให้พอสาม้อยห้องบัดนี้สองเสอง้อยห้องเสร็จนะค ก็จะพอสามร้อยห้องเพื่อต้อนรับประชาชนชาวไทยชาวต่ามประเทศเมื่อวันศุนย์นี้ชาวบาเลีรัลจัลันตันไทบุรีสิงคโปร์ก็มาเยี่ยมศิวะนี้ร้อยกว่าคนมีประสงค์ต่างประเทศมาที่สี่ลูกมาจากรัฐกัลันตันเมื่อก่อนนี้เป็นของประเทศไทยจากทีโคไทยมีรัลจัลันตันไทบุรีสิงคโปร์เสียมหน้าพระตบอมบ้านที่เมืองนอกมาช้านานข้างโบราณก่อนเก่า เป็นของไทยเดินมาต่อมาขอฝากพอคลิกในวันนี้แล้วขอเจริญพรญาติพี่น้องพวกเราดูด้วยความร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปและญาติโยมทั้งหลายที่มาทอดผระปาในวันนี้ณวัดคุรีทองนั้นรลมเย็นเป็นสุขตลอดการผลงานก็ได้สําเร็จตามเป้าหมายเพื่อเป็นสายปัจจัยเป็นที่โจนแย่งเอาไปไม่ได้ไทยก็แย่งเอาไปไม่ได้เป็นรัพย์ภายในมีจิตใจของโยม ยมก็ได้เป็นที่นําของชีวิตนําจิตใจค้าขายจะได้ร่ารวยมหาศาลเงินก็ได้หลายนองทองไหลามาอยู่ในจิตใจของยมถิดปลายอาตมาขออนุโมทนาสาธุการจุดบุตรสอที่ญาติ ย, ยมได้มาบำเพ็ญบุตรในวันนี้และก็ใดชื่อนอกชื่นใจไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนอาต ม, มาขอยืนยันเป็นพยานหลักฐานให้เอกรูปหนึ่ง กขออนุโมทนาปัตตานุโมธนาไม่กับญาติโยมอากรรมก็ได้บุญกับโยมด้วยเพื่อกล่าวอนุโมทนาสาธุการญาติโยมฟังในวันนี้ขอกุศสอนบุญญาลานสื่อและคุณปัทสีรัตนใรโอกาสปัจจุบนตกลงประกาศทอนให้ญาติโยมทุกท่านที่มาบาเพ็ญครูสอนในวันนี้บุญกุศสที่ไดยส่วยตอนไปในสัมปะรยาภพโปรดบันดาลให้ญาติโยมทุกท่าน ทรงประสบกับความสุขสันนิลลานร้อนทรงเจริญกับพระพิตรพรไทยศิบปรการมียายุขอให้ยืนนานมโนพิพันธ์ของไสถูก ข, ขังก็ขอใสุขภาพทายอนามัยทุกท่านโปรดได้ใจดีโปรดหายถ้เจ็บมีอก็โปรดหายสิ่งทั้งหลายที่คิดไว้นบัจจุบัะจะคิดต่อไปโอกาสหน้าทรงพลงานนี้เกิดความกําวเดชพระเดชพรสมเจตจำนงความมุ่งมาตฐานาด้วยการทุกท่าน นาโอกาสบัดนี้เอิ้อขอเจริญพรในจิตวังเรามาทําบุญที่วัดปุริทองนะก็ตื่นกระส่างสวยดีวัดที่โดมไปเนี่ยมันอยู่ก็าอาเภอนะติดก็อาเภออำเภออยู่ตั้งเหนือยังมีโรงเรียนอยู่สี่ภาคาน มีรงเรียนมัธยมมีรงเรียนพระประถมด้วยสมัยก่อนมาไปสวดมนต์สวดพรได้สตางค์อาตมาเต็ดไปมานั่งนาคุติโยไปแถวหมดมาขอสตางค์สวดมนต์แค่ได้แค่ยีสิบาทบอกเอาไปเลยให้ไปเลยมีแล้วเราสียสละดีท่านเกเป็นพระดีนะเราไปทำอ่ะทำบุญทำกุศลก็ดูเถอะเลือกดู การทำบุญทั่วไปมันก็เป็นธรรมดาธรรมดาอย่างนี้โยมมาเองได้บุญเยอะมาเ็นก็หูลูกตานีไไน่ไม่เสียหายเลยไม่เสียหรอกอย่างเขามาเลี้ยรารหน้าร้านเนี่ยเราก็ไงไปร้อยบาทสองร้อยบาทแล้วก็ไม่รู้อะเราไม่เห็นนะอะแล้วก็จะไปไกงกระฉับเขาเยอะแต่อย่างนี้มันเห็นนี่มันสบายใจแล้วก็กลับไปบ้านก็ดูดเย็นไปตุกหายข้าวหายของก็ลารวยนะใจสบาย สมาธิตื่นใจถ้าอารมณ์ดีเนะี่ยตื่นใจดีเนี่ยขายของดีทำกับข้าวอร่อยถ้าใจอารมณ์ไม่ดีจะติดต่อธุรกิจไม่ดีเนี่ยไปาจะมันเสียผลหมดถ้าเราจะไปต่างประเทศก็ตามสวดมนต์ไหว้พระไหว้ปีดามันดาปู่เ้าตายายถ้าเรามีคุณพ่อคุณแม่กราบก่อนกราบแล้วเดินทางไปเจริญบางทีจะไปต่างประเทศก่็ลาพี่ป่าหน้าลาพ่อลาแม่ อะไรเนาะเป็นพระหลานกุงลูกไม่โดพ่อแม่เราที่จะให้พอเนี่ยพ่อแม่ดีที่สุดเพราะอะไรจะเปิดร้านทําบุญเปิดป้ายเนี่ยไมายก็บรรพาพระด้ป่าดนดงมาให้พอเราทํามีพ่อแม่พ่อแม่เปิดเงี้ยรวยอพ่อแม่สําคัญวหว้ข้าวพ่อแม่ให้พ่อแม่เปิดป้ายถ้าไม่มีพระสิไหนมาเอาพ่อแม่เราพ่อแม่สําคัญมากที่ทราบความดีกระลูกทําถูกไว้กับหลานกลับคนไหนเคารพพ่อแม่คนนั่นรวยมหาศาล ออฝากก็ด้วยนะเพื่อทูลพ่อแม่ไว่าพู้เรียนเสอนอย่างนี้ไม่จะตมาสอนเลยเอาพ่อแม่ไว้เหนือหัวก้าเดี๋ยวไปเสียงพ่อแม่เดี๋ย่าขา้ําใจพ่อแม่ก็แล้วกานคราวนี้พอไปไหนรวยเลยไปไหนลาพ่อแม่จ้าพ่อแม่เออจะเลิญสุกนะลูกนะไปให้ลารวยสวยดีมั่งมีที่สุกพ่อแม่ให้พรดีคนอื่นให้พรไอคนอื่นให้พรร้อยคนทู่พ่อแม่เราให้พร คนเดียวไม่ไดัพรอนอะไรดีก็พรอพ่อแม่บางคน <c oughs> ไม่เอาไม่ลามาไม่ไหวเลยพ่อแม่ไอพอนยังไงได้ขังไปะไรไม่รับบางทีพ่อแม่เขาไม่ดีเนาะไอพอลูกด้วยการด่าลูกด่าทุกวันเอ้ยไม่ดีหรือดัดต้องให้พรด้วยการกรริ่นพรลูกเกิดทํามาถ้าขายขึ้นนะลูกนะแล้วก็คนเราวคนจีนสมัยก่อนนี่จะมาไปเมืงจิงมาเขาอุ้กนกัน การวงสะพูนเดียวกันอุดหนุนการเชื้อจุนกันบางคนอุดหนุนเนี่ยขอฝากเราเสี่ยไว้เดียวถ้าเราจะไปช่วยใครเนี่ยก็ให้เขาช่วยตัวเองได้แต่เขาช่วยตัวเองไม่ได้เราไปช่วยเขาไม่ได้เนอะหมดตัวเลยก็มุ่งว่าเราไปช่วยมันสีบาทมีอยูรอยอย่งเดียวช่วยสี่บาทเอาหมดเนี่ยเอาไปช่วยห้าสี่บาทหมดแล้วไปช่วยสี่สี่บาทหมดแล้วเราจะไปช่วยใครเอไปช่วยมันที่มันช่วยตัวได้คนจีนสมัยเก่าเขาถึงอุดหนุนกัน เอาให้เงินไปล้านหนึ่งโอ้โหไปท่าขายได้เงินไปสิบล้านยี่สิบล้านเราก็ไปขึ้นเขาได้แต่คนไทยอ่ะช่วยยังไงก็หมดมีเหลือเลยไปไหนหมดจริงอ้าวหมดก็แค่จริงตาทนาคานหมดแล้วไปช่วยแล้วก็แกะมีเรื่องจริงนะเรื่องจริงแต่แบนี้อย่างนี้จะมาได้สิ้าจะเลือดนื้อหมดแต่ประวัติผู้จริงเยอะสมัยมินชิวม็นตูภาษาจรีนตเาืแล้วมินตูเรียกว่าสมัยคนจริงมาถึงเปีย เขาทำมาฮัฟซึหภาพถ่ า, เ า, ายเขารล้ำรวยก็มาสร้างโบสถ์ให้อะโปงอามาเคขาไว้ของเตียยังมีลูกยังมีลูกสมัยเก่าเนี่ยอยู่ที่โบสถ์วันนี้ อ, อ, อ, อ, ตอาตมาได้ตังคินนอกแจกปี๊บอุดโบสถ์เก่าได้กตะกลางไอเป็นไนอ้เนื้อเนื้อกะเบือ้องอ่เลยวันนั้นอาตมาไปไปเมืองจีนไปที่สวดมนต์ที่วัดไห่นังเตียอ่างนครแคร่ิ๋วไปสวดมนต์ วัดเทียองเนี่ยวัดไชยงา้งเนี่ยไม่ติดพระธมานทิพไม่ติดเพราะวัดนี้มีประโยชน์ต่อประชาชนท่านสอนหนังสองือเก่งหนังสือเด็ดมีหลวงเกียเป็นเจ้าอาวาสอายุเจ็ดที่ปาดมีลูกหลวงเกียรติกกอยู่อีกหกรูปกอนังสือเด็ดเอาใจใส่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเขาจึงไม่ติดวัดนี้เสือจะมาไปเนี่ยไปสวดมนต์ฉลองวัดพันสองรีไปเย 1, ือนสวดคาถาหนึ่งชั่วโมงเขาไม่มีที่นั่งสวด คนจริงเขเดินสวดก็ต้องเดินสวดกันสินน้องคองก็สวดอย่างใกล้หวันก็สวดอย่างแล้วก็ไปสวดอย่างอตมาพราะพุทธรูปไปองคหนึ่งแล้วเอาตู้บริกาคเอาพระกายดีโดภาษาจีนภาษาติด ภ, ภาษาไทยเอาไปถวายไหว้ที่วัดแห่งนั้นแล้ววัดนี้ไปฉลองพันสองร้อีแล้ววัดอื่นโดนติดวัดหมดทําไมติดวัดเพราะว่าหลวงจีนที่วัดแต่และ ว, วัดนั่ น, นตรวดกงเป็กเอากระตงัง คนยากจนสมัยสี่สิบห้าปีผ่านปนนนมาสงครารโลกครันง 2, ่สองประธานจีนเขาล่าจะมาฟัางเขาบอกคนยากจนแล้วพาไปสวดองค์เทพเอ า, าจะตางตายแนี่ยจไปเอาตัางที่ไหนก็ต้องไปกู้หนี้ยินถึงก็มาสวดกงค์เทพเลยวันนี้ปิดเลยอาตมาก็รอเขาบอกว่าปิดทําไมเนี่ยหนัสือแดงเลยหัวหนังสือแดงเลยเปิดวัดเลยอาตมาถามเขาเขาตอบดีมากเขาบอกว่าคือคุณเจ้า เหมือนบริษัทมันเจมต้องปิกไว้ก่อนจนกว่าจะหาผู้จัด ก, การมาใหม่ท่านจะมาเป็นผู้จัดการไม่ได้จะเปิดวัดหะเลยบอกเอไม่เอาแม่เอาวัดเรายมพื้นอันนี้เรายห้กเราฟัางเรื่องจริงอ่าที่เมืองจีงนนะก็มาไปมาที่หกวันไ ม, ม่ใช่ไปเที่ยวหรอกไปเที่ยวไม่เก่นเขานิมนมนรัฐบาลจีนเขาดิ้นม น, น, มนป่ะเขาหลองวัดไหยหนักพันสองวีปิดท้องหมดเลย มีเก้าแม่ปวนอินมีหลวงพ่อจีนต่างๆแล้วมีลูกกาลาบาด ท, ที่มันหล่นลงมาเนี่ยยังอูแล้วมีน้ําบ่อทิพตมีน้ําทิพตทุกวันที่ทนล้แล้วมีกระทะลูกกระโลเลยกระทะนี้หุงแน่ฟาสุคนหนึ่งพันที่ได้พันคนยังอยูเนี่ยก็มาแมมไม่จะซื้อมาได้นะลูกกระโลเลยเอามาไม่ได้เนี่ยเขามีของดี ถ้ากมาชอบใจตีหนึง่งปีจกกักรยานไปทํางานใส่เสื้อสามตัวผู้หญิงไม่มีเสือส้อยกตรงลายฟังแล้วอุ่นวัวนี่พีจกกักรยานไปทํางานของเราก็สองโมงเช้ายังไม่ตื่นเลยนี่ของเขาตีหนึ่งไปแล้วปีจรถไปทํางานใช้จกกักรยานทั้งนั้นรถด้นไม่ดีกมาไปเห็นเนี่ยนะเรื่องสายเรเตือนบอกหนูไปทํา ง, นน ง, งานแล้วก็ที่นี่ มีสาวหนุ่มๆอีกกลุมม่มหนึ่งพูดไทยได้ชัดกเจกนบอกหนูเคยไปเมืองไทยหรือเปล่าเรียนภาษาไทยที่เมืองจีนสามปีบอกให้สอนตีนโป้นทะลบอกเอาตีนพปนทะเลมาดูที่หลวงปางหน้าตาเป็นยังไงสอนภาษาไทยเก่งก็คนไทยที่พอนบุรีที่อำเภอพนัติโขงเนี่ยจะมาเล่าให้พวกเราฟังเนาะงเขาก็มาไปลูกจานอยู่ที่เยาวราชสมัยก่อนไปลูกผู้ใหญ่บ้าน แล้วพอมาเป็นลูกกลางที่ยวราชพอดีแก่ที่เยาวราชเข้าไปมืองจีนก็ตามเข้าไปเปิดสงครามดัวันสองสามไปได้าเลยก็ต้องไปตืพนพ่นคนจีนได้เขาเรียนภาษาไทยอย่างองหกเลยก็ไปสอนภาษาไทยทําไมคนจีนเด็กหนุ่มสาวทําไมพูดไทยชัดเขาอสอนยังไงแต่มาไปยัยเทคนิคมาอย่า ง, ามมานนนางคนจีนของประทานพทษมาจากเมืองจีนมาอยู่เมืองไทยสาสิบปียังพูดไทยไม่ชัด แต่ทําไมหนุ่มสาวดี่ทําไมพูดไทยเจ้าข้าเจ้าขาวาจาดีพูดรได้สวยมากก็จะได้เขาสอนอยังไงเขาสอนอข อ, ขอรอรอรอให้ชัดก่อนพอพูดอ่ะตัวอตัวขอขอต้องให้ขอรอต้องรอพูดชัดผสมกระลาแล้วผสมอะไรแล้วก็พูดหัดเขาต้องหัดตรงนี้ก่อนนะฮะตมาใบยาเทคนิคของเราเนี่ยบางทีะเตี๋ยว อากมามาจะเมืองจีนน้องสี่สิบห้าสิบปีอ่ะมาอยู่ในเมืองไทยตั้งห้าสิบปียังพังอะไรฮะว่างอะฮะนะพูดไม่ผัดแล้วขอฝากพวกเราด้วยเถอะทำไมลูกของเราลูกจีนเนี่ยพูดจีนไม่ได้เนี่ยจีนเนี่ยบานี้พูดจีนไม่ได้ตอบได้เลยเพราะเที่แม่ไม่พูดจีนให้ลูกฟังต้องพูดตีนให้ลูกฟังแล้วไม่พูดเลยเนี่ยเด็กจะไปรู้อด้ไง ไปรู้หรอกแล้วทีนี้ก ม, มาถามลูกที่คนไทยที่ไปอยู่เมืองจีนไปตั้งโคกทีเนี่ยลกพูดไทยไม่ได้อีกบอกนี่ทาไมแม่ไม่สอนนั่งเขาบอกเขาไม่ได้พูดกันเลยลูกพูดไทยไม่ได้เลยเลยอาจาิย์อาจรย์กมาเลยสอนให้ลูกพูดไทยเลยก ม, มาไปอยู่มาอีวานวันสอนลูกเขาได้พูดไทย ไ, ได้เยอะหลายคำนะต้องสอนทีบางทีเราไม่ส่งภาษาจีนเลยอยู่ในบ้านพูดจะไทยคนะับแล้วลูกก็พูดไม่ได้ ไป้อบไปเรียนภาษาจีนกลางก็เรียนในบ้านก็เหลือ ก, กินเหลือใช้แต่เปลี่ยแม่ไม่พูดไทยรูกฟังเนี่ยเนี่ยมีชาแก่ชาแก่กีนเนี่ยก็ร้านยาวพัฒนาเนี่ยพูดจริงเก่งจังเลยแต่ฟังไม่รู้เรื่องก็ียสิ่งแต่ชายพูดเร่งกันเตีย่ยแม่เขาไม่พูดให้ฟังเนี่ยเรื่องจริงนะถ้าต้องพูดเร่งไทยูกฟังถ้าไม่พูลูกฟังลำบากล้วจะพาไปไหน่อบไป เอาเดี๋ยวไปวัดนนนหน่อยเนี่ยโยมเคยวัดพนนไหมเคยไหมเอาไม่เคยไปหน่อยไปให้ได้เชียวโอ้พระใหญ่กลางเลยยาวต้ au, งหลายเส้นเอาไปเอาไปรีบไปนี่ก่อนจะไปเข้าห้องน้ำ ก, ก่นอนรดจะได้เบาไปเอาพาไปวัดพนนหน่อยไม่เคยมา ม, มายวยหมวยพาโยมเข้าห้องน้ำห้องพาคั ในห้อง น, น้ำเขาเนียมียบแล้วยังไม่เคยมาเลยพาไปวัดพนาติดทองหละทิศลูกสกุลสกุลกระดิ่งเงียบพวกคนจีนเขาไม่เคยทําบุญก็จีนก็ไปแนะนำมาว่าทอดประผาวตีทองนะท่านจร้านางสรางบุตรีแต่หมายหมายความว่าจะมาสร้างวันเราหรอกเราไม่สนใจเรื่องบอกบุญนเราก็จะช่วยทั่วไปนะ พองเราเนี่ยเราก็มาจะไปขอใครก็าหรอถ้ามีปัญญาเราก็ทากํามื่อไประยะไม่มีก็หยุดนี่อาัศารเลเราเนี่ยหมดไปห้าล้านเนี่ยก็ทึกว่าพรรษาหน้าสามีสามทำบุญได้ตอนนี้เรามองเงนีพก็ะพานาบันแล้วเรามาดูเพิ่มอุปกรณ์อีกสองล้านจะอยู่หรือไม่มก็ไม่ทราบพัดลมทั้งหมดก็มันร้อยกว่าตัว แต่เราก็ไม่บอกบุญไทยเขาหรไม่ไม่ต้องการไปรบกวนไทยเขาแต่เธอยามสร้างความสะดวกให้ไปคาโตให้สูงได้แต่เราข้างความสะดวกให้เขาทั้นใดเราก็เลยรับความสะดวกชั้นนั้นนมันมีตัญหาอยู่หนีเขาไม่เคยไปทำบุญที่ไหนเลยน่ก็ต้องแน่แนวเขาแล้วก็ยังไม่เคยไปวัดพนก็าหายไปแต่ได้ไปติดทองพระพุทธรูป อายุต้องพันกว่าปีแล้วสมัยสุขโขทยัยและจะถามีเดินทาะรามหลวงที่วัดนี้มีจังหวัดที่มีวัดเดียวนี่เราก็พยายามจะพัฒนาจิตใจกันเนี่ยโยนโจดฟังไว้ด้วยวะแมวมาทังทีแมวแมวันเป็นพัฒนาวัดในวิจัยเรื่องกาธนาเนี่ย เราเริ่มตนคือมาอยู่วัดที่เนี่ยเราต้องเขียนด้วยเราพัฒนาเลยก่อนอย่าลืมเนะี่ยผู้จ่าสอนก็พัฒนาจิตใจก่อนถ้าจิตใจคนมันเร็วๆเนะี่ยพัฒนาอื่นไม่ขึ้นจิตใจคนมันเร็วมันดีไม่ได้ไม่ต้องไปพัฒนาอย่างอื่นใช้ไม่ได้จำไว้ก่อนนี้ถ้าพัฒนาก้องจิตก่อนถ้าจิตคนมันดีเนี่ยมันมีกุศลเนี่ย การศึกษอาอยากจะเรียนอยากจะเรู้อยากจะดูให้เห็นอยากจะแสดงออกขึ้ความดีก็อยากแสวงหาความรู้คู่กับความดีสิดตัวไปการวิชาจิตไม่ดีจิตมาเลวนะทุกข์กติมปฏิการขาต้องไปนรกจิตใจสโครกนรกมาอยู่ในใจประวันอกในอกในร ก, กอยู่ในใจเอาดีไม่ได้ต้องวิจัยข้อนี้ก่อนพระเจ้าฟองเพ่งการพัฒนาจิต ถ้าจิตของคนดีเนี่ยอย่างอื่วดีหมดถ้าภรรยาจิตดีผัวก็ดีด้วยถ้าจิตผัวดีเมียก็ปลอดดีด้วยถ้าพ่อแม่จิตดีลูกก็ดีด้วยทำไมบ้านไหนโสกโศกกัดนรกมาเกิดบ้านไหนสะอาดน่าปราดมาเกิดกองวิจัยพอดีใช่ไหมจึงต้องมีศีลศีลนี่มันคือความสะอาดไม่อดือดไปลาบละเราจะไปเขียนวิญญาณมีพลจะมาเนี่ยต้องพัฒนาจิตก่อน เดชาวบ้านเนี่จิตเหมือนกันไม่เหมือนกันไม่ได้หนูโกฎจาไว้ด้วยนาณาจิตตามจิตเหมือนกันไม่ได้ต่อปไปอีกข้อหนึ่งจิตทำไมไม่เหมือนกันรพรา่อแม่มันไม่เหมือนกันหนึ่งพ่อแม่ไม่เหมือนกันสองสิ่งวัดล้อมในบ้านไม่เหมือนกันมันนําไปทางขั่วได้แต่พ่อแม่ดีนะลูกดีทุกคนพ่อแม่สร้านสร้างความดีกับลูกทาถูกไว้กับหลานเป็นผลงานของพ่อแม่ พ่อแม่เท่านั้นที่รักที่ถึวิธีทําความดีอยูกดุกกระจายไหมถ้าพ่อแม่เร็วๆนะลูกดีไม่ได้เพื่อพัน์ดีๆเหมือนไก่ชนเนี่ยสามัญญแย่แยออกไปอธิบายไก่ชนไปหาพันธุ์ดีๆมาแต่ผสมพันธุ์ไม่ดีเป็นกรรมพันกับลูกกระจายไหมผสมพันธุ์ไม่ดีเวลาผสมพันธ์กันฤทธิสาไม่ดีที่เราเมายาอย่างนี้ยาเนื้ เราไปผสมพันธุ์กันเหมือนก็เปิดเป็นตา ม, มาพันธุ์กับลูกออกมาไม่ดีสักผลกล้มามันนี่ต้องวิจัยกันอย่างนี้ไงผมว่าก็ดเลยอ่ะแล้วสิ่งแวดล้อมในบ้านไม่ดีมันก็เสียคนหมดมันเดินไปทางที่เร็วกลับไปมีเพื่อนไม่ดีเพื่อนมันก็ดึงหนูไปเร็วอาจารย์นเนี่ครบพันุได้ผิดโคบดีได้ผลครบคนทั่วทําตัวอับจนครอบคนดีให้ผลด้วยวันตายนี่เห็นภาพไหมเนี่ย กองพัฒนาจิตก่อนถ้าจิตไม่ดีเนะี้ยยังอื่นไม่ต้องพัฒนาให้ไม่ได้าสักคนอย่างมานั่งกรรมฐ า, านไม่เคยดีทุกคนเดียมาจากบ้านมาจากพ่อแม่กองพัฒนาเน้หนึ่งพัฒนาจิตนี่เขียนทุกสัต์องพัฒน า, นฒนากนนนารตาิดแสาสามพัฒนาเศรษฐกิจ 4. ี่พัฒนาสังคมเขากจไหมก็จำ ห, หลักที่ก่อน และการวิจัยทางศาสนานั้นต้องมีสับพายาสี่ซึ่งจะสะดวกในการพัฒนาสับพายะแปลว่าความสะดวกเขสามจไหมนะสะดวกนี่แปลว่าสับพายะหนึ่งอาว่าสับพายะต้องมีอาวา่าที่อยู่อาศัยของอาหารสับพายาต้องมีที่กินที่ข่ายท้องตุก ข, ขาห้อง น, น้ําถ้าไม่มีพัฒนาไม่ได้สามต้องมีบุคลากรสับพายะมีบุคคลช่วยงาน ในวัดนี้บ้านก็ต้องมีคนช่วยตีอะไรเอ่ยต้องมีคุณธรรมกับ ป, ปายะคือธรรมะกับ ป, ปายะมีทํามะให้เขาด้วยมีธรร ม, มแะแจกเขาด้วยมีของดีแจกเขาด้วยไม่ใช่มาเปล่ามาศูนย์มาต้องให้ได็กินข้าววันอื่นได้กินข้าวไหมนะ่ะเขาลรอไ ม, ม่ได้กินแล้วนะก็มิใช่ไม่ได้กินกันเนี่ยต้องมองนี้ยังนี้ครับกับปายะไม่ได้ สัพปายะแปลกับภาษาบาลีแปลว่าความสะดวกถ้าไม่มีความสะดวกสบายสัพพายะไม่ได้เหตุใดพระพุทธเจา้าถึงสอนสถิสปัฏฐานสี่ในเมืองกุลุลัตได้ได้เพราะมีสัพปายะบริบูรณ์มากในเมืองนี้อุดมสมบูรณ์ที่สดุดถึงสอนเรื่องนี้แต่ไปสอนเรื่คนธุลกันดาลหาข้าเท้ากินข้ามมันไม่เอาล็อกสัปพายะไม่มีไ ม, ม่อุดมสมบูรณ์จนไม่สอนเรื่องนี้ ฟังไว้เนี่ยฟังไว้พัฒนาจิตก่อนนะแต่จิตมันไม่ดีมันต้องไปพัฒนาอื่นไม่เอาไหนเนี่หัวหัวไม่เอาไหนเนี่ยคนมันไม่ดีเนี่ยจะไปพุ้ยมันให้ดียังไงล่ะนะนี่บอกคนจริงอ่เขาเขารู้เลยนี่พวกอาเซียนเนี่ยนี่เพิ่งมาจากเมืองนอกมาคืนเนี่ยมาทอดตาตอนชาตเรารู้เลยนี่อาเซียนพวกนี้ยเพิ่งมาจากเมืองนอกมาคืนนี่ยนี่กองรู้เห็นหน่อให้หน่อรู่นี่อาเซียนนี่เพิ่งมาจากเมืองนอกถูกไหม แต่ถ้าขายเขายอดใจเนะี่ยต้องพูดให้มันถูกจกุดดิลามุดจะได้มันก็ได้ถูกเมดอย่ารู้รู้ดีนะปวดดีคนรู้มากมันเยอะรู้จริงมีที่ไหน่ะรู้จริงหายากรู้มากหาง่ายเยอะแยะนี่เขารู้เลยพูดทันทีเขารู้เลยเขาจันอาเซียนอย่าลืมทําไมากินปาม า, มาเพราะว่าเขามาขายของเสื้อหลายรถเนี่ยเดี๋ไม่ทันขายเยอะให้ไปมุมนอกแหละ เห <N> ็นนะไห้เขาเองไหมนะพอไปเมืองนอกแล้วก็ต้องคุยขายของให้เขาสิให้มันได้เป้าบางคนได้เป้าก่อนนึงย้อนไปเขาเข้าใจล้อไหมเขารู้ว่าเขาดูคนเป็นเห็นหนอเห็นหนอคนที่เป็นคนจริงเนี่ยเอาให้ไปเมืองอเมริกาก่อนไปยุโรปก่อนแล้วกลับม า, าก็คยิงขายของให้เขาได้เป้าทันทีนี่เห็นไหมเนี่ยคนเรามีกาลเทศะไม่เหมือนกันการยาวเหมือนการหลือจะเห็นนดีกว่ายาวหรือจะเห็นยาวดีกวาสาั้นควไม่รู้เรื่องอยังไงหนู ต้องรู้คนอออกนี่อาเซียคนตะกี้เนี่ยเขาไปมานอกอคนจับเอามาคืนนี้ดึกแล้วก็ไปมาไปภาคใต้เอาเงินไปช่วยภาคใต้เขาเลไปธุร ก, กิจในการฆ่าด้วยกลับมาดึกมาถึงก็ว่างเลยแล้วประมาณเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาธุร ก, กิจเขาไม่มีว่างอย่าอยู่ว่างอย่าทำผู้ใหญ่จะหลงทางได้ง่ายาใครมีลูกอย่าให้อยู่ว่างนะอยู่ว่างเสียคนหมดนี่มันก็หลังไหลายสตาทมหมดนี่วิกัยตรงนี้ แล้วเขียนมีวิทยาลัยผลกล้องวิจัยคนแล้วคนดูคนนี่ดูหน้าดูผ้าดูเนื้อดูเสื้อดูลายดูทาดูรูปพ่อเ้วยมีจอท่อการนี่หลวงพ่อไม่รู้จักร mm. ู้รเลยพวกอาเสียนก็ที่นี่รู้วิจายพูดปั๊บเขาเข้าใจเลยเนี่ยต้องพูดถ้าเข้าใจพูดให้รู้เรื่อยไอ้คนเราเนี่ยไม่รู้ภาษาการเนี่ยงงงาวชาวตูนี่พูดสิไปยังก็ไม่รู้เรื่องเข้าใจไหมเพราะจิตมันไม่คงกันจิตมันไม่เหมือนกัน ผิดมันดีเหมือนกันมาลายล่ะเรายังมานั่งก็มาถานไม่มาดีทุกคนเนี่ยโปรดทราบเยนะขอให้มีหัวใจสองประการหนึ่งจะมาสร้างความดีต้องละทั่วใดนะการละทั่วมัไยังดีไม่ได้เยขอฝากเขาด้วยนะทายังไงก็ขึ้นสวรรค์ยังไงก็ไปไม่มันติดประตูคาบอดมาทําบุญตะมีบาปอยู่ในใจแล้วจะได้บุญหรอเฮ้ยอาจารย์เนี่ยต้องไว้ใจอ่ะ องพัฒนาชิดตัวชิดไม่ดีไม่ต้องมาวัดโนนวัดทือวัดไรวัดชายวัดวาจาวัดชายก็ไม่ได้แล้วแล้วไม่จะมานั่งกรรมฐานห่อเหินในอากาศเนะแต่จะมานั่งกรรมฐานได้ดีเป็นเปคนดีหมดทุกคนไม่ใช่ถึงวัดล่อมันดึงมาแต่บ้านม่ดีอะผาตัดใจว่าเขาวัดล่อข้าไปทั่วออกหมดได้ดีเนี่ยสาคัญมาจะเอาความทั่วเข้ามาปนในวัดก็ยาการ้วหนูวิจัยมั่งค้าสองด้วย ถ้าแก่มาจากบ้านมาบวชเป็นพระพระแก่พอแก่าากามาจากบ้านมาเป็นทีทีแก่มันแก่แล้วมันดีนะที่ไหนเราแบ่งแก่ ไ, ไม่ได้แล้วรู้กันใช่ไหมวาไงไว้นี่วิจารณตรงนี้อย่าไปวกจาที่อื่นถ้าวัดไหนไม่มีสัพพายะไม่มีความสะดวกพัฒนาจิตไม่ได้1ที่นอนก็ไม่มีที่นั่งก็ไม่มีที่กินก็ไม่มีพัฒนาจิตจริงอ่ะ สบายะากก็ไม่สะดวกสบายด้วยการทั้งปลวกอยู่ตรงนี้นะาาบางทีลูกบวชได้ให้เขาทาเลยไม่ได้เรียนเขาทำอย่างารถ้าจะร่างกางกยกความเจริญก็ควรต้องเรียนหนังสือก่อนต้องมีความรู้ก่อนถึจงจะพูดความดีนะเรียนความรู้สู่ความดีเราว่าอย่างนั้นถ้าคนไหนไม่มีความรู้เหมือนบ้านท่านเดียวหลักฐานไม่มีแล้วจะไปพัฒนาที่ไหนแล้วความวิชาการก็ไม่ ม, คมีความรู้ก็ไม่ดีด้วย จิตใจก็ไปไม่ได้ไปไม่รอดพุทธาดูบอกปริญญาศาสนาหนึ่งต้องเรียนก่อนสองปฏิบัติศาสนาเรียนรู้แล้วก็ต้องปฏิบัติด้วยถึงเกิดปฏิเวทศาสนาศาสนามีสามศาสนาปริญญาศาสนาคือเรียนปฏิบัติศาสนาคือปฏิบัติธรรมทีปฏิเวทคืออันนี้ของได้ผลงานจากการศึกษาและปฏิบัติธรรมแล้วเรียกว่าปฏิเวทหนูต้องไปเรียนดูบาลีด้วย เ้าจะวิจัยเรื่องศาสนาต้องดูบาลีด้วยเน่ต้องแปลได้ด้วย้งตามจับนี่อค้นหนังสือดูต้องเร่งรัดที่หลวงพ่อพูดอย่แงหใจใหญ่ๆฉนั้ราหนูก็ไปเขียนประสบการณอิแล้วมาเมาปฏิบัติธรรมแล้วดีหมดทุกคนแล้วพระมาบวชทุกองแล้วดีทุกองไม่กินมันแก่มาแล้วนี่มันจะดีนะเนียแล้วพระยังมีหลายพระพระทองเหลืองก็มีพระทองแดงก็มีพระตะกัวก็มีพระดินเผาก็มีเผาไม่สุกก็มี ราเหมือนกันทุกองค์ยเหรอเห็นหน้าเละทุกองค์เหมือนกันหมดเป็นไปไม่ได้นหมือนกัเป็นผู้เจ้าหมดทุกองอยู่เป็นได้นะผู้เจ้านี่ต้องสมโมทานต่อการบารมีถึง8ะสงค์ขายกําไรแสนกลับมานานต่อไปถ้าทุเนมาปูจน า, าวิเวสพระเจ้าสิทธิ์ฆว่าจะฆ่าสุดท้ายเปโถเวสโนอนจึง เ, ส, ส, งเสียงศระแก้วตาเสียกะวุจัยให้แก่ประชาชนได้จ้งเลือดเนื้อกาะสีรษะได้ นี่มันชาสุดท้ายแลย้วก็เรามาเิ้ น, นจริงเหมือนจะเสียตลาดได้อย่างไงแค่ดวงตาก็ให้ใช้ไม่ได้จิตใจก็ให้ไม่ได้หมายความว่าอย่างหรือมิใช่ตาสองข้ามคือลูกสาวลูกชายเลือกษาได้หัวใจคือสามีภรยาสา ม, มารถไทายเป็นฐานได้แล้วที่นางเนี่ยไทยหัวเป็นฐานได้ไหมอันเนี้ยเป็นฐานได้ไหมไม่ได้แล้วหืมหวมันจะตายข้ากานกกาเพราะหัวเมียจะแพ้ ทั้งรักทัแทนตาแหน่งในส่วงทั้งหึงทั้งหวงลบปุ่งสิงชัชยบนเลี้วนีกาวเชื้งมมยฆ่าเขาไปแล้วยิงเนื้ตา ย, ายเจ็ดสิบสอเมือหัวก็กระปาสิบสี่ย อ, อยิงตัวตายเลยเนี่กาวเชื้อหมา ย, ยุตกากด้วยนี่นมาฆ่าเา่าเพราะอะไรนะรับปฏิบัติธรรมหรือเปล่าไม่ใช่ต้องปฏิบททัติธรรมพุทธชันธอย่างนี้รู้ไมมจริงรู้มากเห็นหมเนี่ย บางคนเนี่ยทำอย่างนี้แม่เอาไปทําอย่างงูเนี่ยโงงไปทําอย่างงูแล้วกับปลาหลายมือไม่ได้แล้วเป็นคงจริงมีความรู้จริงรู้จริงจริงก็อย่างนึงช่วยตัวได้ถ้ารู้ไม่จริงไม่มีทางเลิกพูดกันนี่หลวงพ่อเนี่ยต้รู้จริงเนี่ยดนตีก็รู้จริงเนี่ยอย่าลืมนะเพลงโดนตีอยู่ในวงนี้พันกเพลงเนี่ยพันกัเพลงก็ต้องรู้จริงเนี่รู้ไม่จริงจริงถ้ารู้ไม่จริงรู้งูปลาอย่าไปพูดกัน อยามาพูดกับหลังรู้อะไรรู้ไม่จริงรู้เราเป็นครูตัวเองได้ต่อสอนตัวเองได้แล้วจะไปสองหมื่นเ้ า, าเหูพูดงายมะเดี๋ยวไปงัวเปล่ะเอาเป็นกรรมฐานโอ้ยหลวงพ่อฉันได้ยานโอ้ยทานธรรมาบัตรโอ้ยไปมาโสดิภ า, า น, านรู้ไม่จริงอ่ะรู้จริงเขาไม่พูดอ่ะรู้จริงเขาไม่พูดหรอกดูปียามาญาเตาก็รู้นเนี่ยคนรู้จริง รู้จริงต้องทําเลยรู้จำต้องท่อะโลแกนต้องคิ้ก่อนนี่เขียนตั้หลักเวล า, ากรแต่สงไขยถามเดีย๋ยวไปเขียนรูปเรียงห้าไปแล้ววิจัยคนที่มาในวานเดนเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมเหมือนกันเฉพาผู้หญิงกับผู้ชายรูปรากเพศการการอย่างนี้มันก็รู้อย่างนี้แต่รู้จริงเข้าไปทางไหนว่าคนนี้มาจากอินทฐานใดเราพุทธเจ้าจึงสอนว่าเวทนายพระ มาจากเหมือนดอกไม้สั่งพันเนี่ยมารวมกองกันไปกองกองกองกองกองไ ป, ง ป, งปในช่างเทนั้นเอาไป้อยมาตั้งทวงมาลาเนี่ยสวยไหมเนี่ยในช่างคือวินยัยเอามาจากดอกไม้ต่างพันคือมาจากคกลโคลโคบกลลโคบแม่นิชไหนแล้วก็รูปร่างหน้าตาก็ต่างกันแล้วมารยาจะเหมือนกันแล้วในเมื่อมารยาเหมือนกันก็ปฏิบัติทำอันเดียวกันมีระเบียบแบบแผนอันเดียวกันเ ร, เรียกว่าวินยัย ใช่ไหมนะวินายสืบูรณ์ในชาติอกไม้เหย่าสีสันต่างๆมากองกองกองกองต่างๆเนี่ยมันคนละสีแต่ในข้าติผู้ลอยตองก็ามาจัดใส่ใส่แจกันใส่ไประเบียบเรียบร้อยตั้งทำเป็นถูกที่ทําความดีมสิทธิ์ทานมันก็สวยงามมิใชน้อยนี่คือวินายเดียวกับเบญจสิงห์เบญจธรรเราโขนหนีพรไม่ใช่ว่าพระมาบวชว่าวันความดีหมดทุกองไม่เก่ง มันแกะมาแล้วมันดีนะอ้ยาไมันแกไปเสเป่ายังไงมันก็ไปแแกะอยู่แล้วเนอะธาสังกะสีเอาดีไม่ได้ต้องวิจัยถ้าทปปัวก็ไไําางนด้ตุสังกะสีธา้าทองเหลืองก็ใช้งานได้หล่อธาได้ธาทองแดงก็ใช้ได้เอาไปทํำไห้ไฟได้ไอธาตุสังกะสีเอาดีไม่ได้เหมือนบัวสีเหลาอยู่ใกล้ยินต้องดูบัวสีเหลาด้วย คุณเจ้านสอนลเอียดมากสอมีเหตุผลถ่าสังกสีจะเป็นแม่ทีเป็นละมันผูกทุกวันผูกทุกวันสันดิมมันกินผูกเองโดยตัวของมันคืออยู่ใต้ใต้ดินใต้บาทาแล้วดีไม่ได้เนี่ยเอาดีไม่ได้มันผูกลงไปทุกวันนี่ยอย่างนี้ดีไม่ได้นะ คนดีเขาดีตรงไหนดีที่จิตใจนะหนูมโนบุพังเข้ามาธรรมามโนเศรฐามโนมายามันสําเร็จที่เกตไม่สําเร็จทพิลาตายลุปราพิสุวียังมีสําเร็จหมดให้ขัดพรามาอาจารย์เนี่ยเขาดูหนูออกเขาดูหนูอ่ะหนูจริงเนี่ยเป็นคนจริงและเป็นคนดีที่จะวิจัยนี้ได้ควรจะสื่อาปัญญาโทเองนี้ได้เขาจึงได้เชิญหนูมาไอ้หนูมาต้องวิจัยเป็นคนจริง ไอ้คนจริงหายากเหลือเกินนะเป็นคนปลอมหมดคนแก่หมดถ้าไหมฮะคนจริงมีไหมพระจริงมีไหมหายากแล้วไม่ไ ม, ไม่ไม่อยู่ปืนซะเลยนะไม่ขังลแล้วก็พระบวชนานๆเนนะี่ยปลุกเต่านะแต่ปลุกหูยานมาอยู่ปืนแล้วป้อตายหาทุกท่าถ้าไหมไม่ไมรังเนี่ยไม่เห็นทําอะไรทินแล้วก็นอนนอนแล้วกิกนอยู่ก็ขังที่ไหนอ่ะนะย แล้มปฏิบัติกรรมาถามไม่ใหญ่ใหญคนมันต้องเหมือนอาศัยบุญวาสนาอาศัยคนจริงรู้จริงอาศัยจริงจังมีความจริงใจจริงต่อการงานสามารถนี่ยกมือไปมานี่จริงต่อการงานจริงต่อหน้าที่ที่ลงไปนี่นิ้วขี้มือเนี่ยอย่าไปเอาพื้นไทยไวเนียจริงต่อหน้าที่นี่จริงต่อการงานจริงต่อต่อวาจาจัดจังเวลมาตาวาจาคือมิตรฟั ผู้นี้ต้องทำอย่เดียวเนองมีไม่คนจริงอย่างเงี้ยมีน่าหลอกหลวมหลอกแหล่เหลวไหลไม่เอาเนื้อค่ายดีไม่ได้หิ้วนางโบราณว่าไว้ลูกขาวไม่มีผัวไม่มีเมียชายไม่มีเนี่ยที่มากจะใส่แหวนหิวนางโบราณก็ว่าไว้แปลความมรดกไดแปลว่าจริงต่อบุคคลคนไหนเป็นสาวจริงตัวเองมีสัจจะเมตตาสามัคคีมีวินัยสามารถจะได้ผัวดี พอชายก็ไม่กันจริงต่อสาวสาวจริงต่อชายเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวการแต่งงานได้ถึงสายแหวนี้หน่อยนี่คอยมาเล็กเลือกเกินเนี่ยจริงต่อความดีคนแล้วไม่มองเห็นความดีกันเลยซึ่งเอาความดีไปจริงเสียเอาความชั่วมาสายพันทรวในตัวเนี่คอยอยู่ในอยากใครมองเลยมันเบ้อความดีไม่รักสาวไวเหมือนเกลือรักษาความเค็มสินะเห็นใจไหมนี่มันอยู่ตรงนี้นะจริงหรือเปล่ามันน่ะกรรมฐานจริงหรือเปล่าไม่จริง มานั่งคุยกันหะน่อนะนัคุยกันเนี่ยระวังเนี่ยเป็นบาปติดตัวไปนะอย่างเร็วร้ายเสริมเติมกัไปนะ อ, อีกนะเอามาก็ขด้วยกินน้อยนอนน้อยพูดน้อ ย, อ ย, อยทําความเพียรมากถึงจะเป็นผลจริงไม่ใช่กีนแล้วก็ไปคุยกันนะกองละทั่วจะ บ, บ้านได้มาหน้ากรรมฐานจะได้พ้นจะได้ผู้สนเราจะได้แผ่เมตตาให้ถ้าเราแผ่เมตตาให้ไม่ได้รับหรอกพี่น้องเอ้ย เรามีแต่ชั่วเต็มเป๋าเต็กระเ ป, าเป๋าเราแผลของดีเอาทองคางไปให้ของเราไปทิ้งอย่าเป็นไต่แก้แบบไปเสียบพบเพชรนิจินดาไม่มีค่ากับไก่แก้เลยเพชรน้ำหนึ่งแท้แต่ก็ไก่มันก็พูดว่าเออพอเพชรเอ้ยพอบรอยทั้งหลายไม่มีประโยชน์กับค่าเลยสู้กับสุสาษแม่มาเรื่เดียวไมาด่านเทียดทิ้งไปนี่มันพวกไก่แก้มันก็เอาดีไม่ได้ เขาฝาก็าด้วยนะแต่แค่มาเห็นชอยมั น, ม, นมันก็ออกไม่มีประโยชน์มันกินไม่ได้แต่คนที่ดีมีปัญญาเห็นแพทย์หนึ่งน้ำหนึ่งต้องรีบว่าคือแพทย์น้าในดวงใจเัาจะอาจคือสัจจะมีความจริงใจจริงกลางต่อการมีสายสัมพันธ์ในครอคิดต่อชีวิตของตอนอย่างนี้ถึงจะพบของดีพบของจริงถ้าคนปลอมนะพบของปลอมเลยจำมา อย่าผ้ามาบวชนี่ไม่แชร์บวชอีทุกองเนี่ยมาแชรดีทุกองเนี่ยมีผ้าหลายผ้าเนี่ยมันแกมาจากมาแล้วจะไปว่าวัดไม่ดีนะคนไม่ดีนะฮไมาแชรวัดไม่ดีวัดนี้เป็นรูปประทับนามาท ำ, น ำ, าทำคนที่มากระทําขึ้นมาจงจะเกิดถอนเรียกว่ารีสงการกระทํามันมีความหมายอย่างนี้ไปจะวัดมพวันใครมานั่งแล้วไม่ต้องปฏิบัตินะวัดนี้ดีแนละ้วมานั่งฟ้ากลับไปดีหมดทุกคนอย่างงั้นเหรอแต่อย่างนั้นได้ไหม ไม่ได้ต้องปฏิบัติมันจะวัดในดีนะคนมานั่งเราดีหมดเลยกลับไปลำมวยสวยดีบางทีที่สุดหมดเป็นไปไม่ได้ต้องลมือปฏิบัติความดีต้องสร้างความดีต้องละทัวใช้หมดยาวทั่วมาป่าพลกับความดีเดี๋ยวจะมาให่ของดีติดตัวไปมีอย่างเนี้แต่คนปฏิบัติกรรมาฐานจึงไม่ไอะไรเประจันนะบอกอยากคุยกันนะ พดน้อยน้อยน้อยพูดน้อยทำความเพียนมากต้องขยันจะเอาวันข้ามเอาเลยเดี๋ยวเวทนามันหนักขึ้นมาปวดหนอปวดหนอตา้ตายเดี๋ยวพบตามเลนเมื่อครั้งอดีตสร้างกรรมเลยมาเนี่ยที่หลวงพ่อประสบมาเนี่ยปวดหนอปวดหนอปวดหนอโอระเบิดโต้มไปได้ผลเลยหายปวดแผลไม่ตาแล้วสติก็บอกว่าระคุณเจ้าวันที่สิบสี่ตุลาตาย แล้วก็สติเรานี้ก็ถามมาตายเรื่องอะไรเนียตายรถคลพอหักตายก็เหตุผลจากการใดลือก็ราถ้าไปหักคอน็อคนึกได้สันทีนี่เห็นเนี่ยนี่เวทนาเนี่ยพบกันเนี่ยน้องขานมานั่งปวดหนอปวดหนอเลิกเลยเดินเลยไป ค, คุยแหละอีกหมื่นปีก็ไม่ได้ผลนี่เข้าใจเรื่องกรรมมาถามด้วยแล้เรื่องวิจัย ถ้าเป็นคนจริงนะปวดหนอนี่เป็นสรมฐานเ น, นี่ยไปใจวิปัสสนาเนียยึดไปหลักปวดหนอปวดหนอปวดยิ่งยึดยิ่งปวดยิ่งยึดยิ่งปวดมันจะได้รู้กรรมหลักธรร ม, มก็แปรสลายไ ป, ไปเป็นอิจฉาทุกขงาาังหน้าตาถึงจะเป็นวิปัสสนาอันนี้กรรมเรหลาเจะว่าไม่เทีย่ยทำอะไม่เทียเพราะมันมีทุกเดี๋ยวจริงเดี๋ยวไม่จริงแล้วว่าจะนัดเพื่อนไว้ตรวดทองเทแาไหร่ไปไม่ได้มันแน่นอนที่ไหนมนชีของเรา ว่าพรุ่นี้เราจะนัดประชุมนัดไถึงทำเวลาไปไม่ได้ปวดห้องเป็นไข้ต้องตายซะก่อนไปเอาอะไรไม่แน่นอนถ <c oughs> ึงไปอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังเราไม่เที่ยมมันมีพุกมัน ส, สนาปสลบโอมลามเล้วเกินชีวิตมนุษย์นีู่ตามไว้เนอะชีวิตเอาไม่แน่นอนเลือเกินอารมณ์แล้วตั้งแต่เช้ามาถึงค่ําไม่สมปรดิเลยเช้าตอนดีสายบ่ายไม่ดีตอนเย็นดี เดี๋ยวโอ้อะละในชั่วโมงนี้จะไปร้องไห้ชั่วโมงนั้นเห็นเน่ชัดไหมเนีแล้วเราจะเอาอะไรมาหลับอือมีจ้ะถึงต้องยุดนึกก่อนปวดหนอปวดหนอะตายตายตองทนต้องฝืนใจเถ้าะะนั้นธรรมะแล้วฝืนใจแต่ฝืนใจไม่ได้ดีไม่ได้ไม่เป่นธรรมะธรรมะแล้วตัวทุกข์ม่เหยีดความทุขแล้วพว้นพบตัวทุกข์โตทุกข์ได้ผ่านทุกข์ได้แล้วจึงเรียกความทุข ถ้าผลทุกได้มันจะความทุกข์ขยันหน้ามาันจะาที่เกลียดมันที่เกลียดเลือะเกินก็ขยันขึ้นมาจนเคยชินแล้วจะที่เกียดอีกต่อไปไม่ได้เห็น ไ, ไหมอย่าลืมความสูงในโลกมันอยที่ไหนล่ะมันผิดหวังแล้วก็จะสมหวังเราจนเป็นโลกประสาจะเยอะเพราะผิดหวังในชีวิตไม่เคยตั้งสติจัดการได้จนไม่มีปัญญาที่จะสอนสิ่งกันมาที่ปัญญาตอนนั้นนักแฝต้องดูด้วย ลองหาหือมักแปดดูแล้วก็วิกายในเรื่องมักมักแปลว่าหุ้นทางนอะมักขมันคาแล้วห้นทางอามายแปลว่าหุ้นทางเสื่อมหุ้นทางอามายแห่งความพิพายทางที่ไม่ดีทางที่เสื่อมโซ่มันไม่ใช่หุ้นทางดีคือมักแปลว่าหุ้นทางที่เราเดินไปเนี่ยมันมีประโยชน์ถึงเรียกว่ามักขมันคาหรือว่ามักแปดเย้ไหมล่ะ มักเกิสรุปเหลือสามคือสิงสมาธิปัญญามีวิชาการแต่โดยปฏิบัติแล้วปัญญาออกหน้าหนูมาเกิดที่มาเพราะปัญญาจากคุ้งอุตปาธิญาณมีญาณ น, นามาไอ้มาเกิดในโลกมนุษย์ญาณดีก็นำมาเกิดที่ดีญาณไม่ดีก็นำมาเกิดที่ไม่ดีเลือกเกิดไม่ได้แน่นอนจากคุ้งอุตปาธิปัญญาคนมีปัญญามาเกิดในโลกมนุษย์ มาเกิดในบ้านเศรษฐีบามโปรดเหต์เมืองตอนเกิดในบ้านกระจอบบ้านขอทานเกิดในบ้านจังทานบ้านโจรบ้านเสือมันเหลือวิสัยนี่เนี่ยมันปัญญามาเกิดก็มีปัญญาแบบนั้นมาคือปัญญาทางโลกรหัสทหารเ้าเขาก็มาเกิดในบ้านโจรมีเลือกไมายาลองบุญบุศนของายควองมันต้องพาไปอย่างนี้กับขุ้มุูชาที่วิชาวิชาเป็นผู้พาเรามา วิชาตัวชอตัวเดียวคือวิชาต้องเรียนต้องฝึกกากายตัวชอก็เป็นตัวหนึง่งวิชาเจารณาสัมปันโนสิตธิโกโภคกวาหมายความวิชาที่ได้ประโยชน์แล้วเอามาทําไปประโยชน์ต่อประชาชนแะล้วเรียกว่าเจารณาสัมปันโนสิตธิโกโภะกวาได้ประโยชน์แล้วนี่เรียกวิชาเจารณาสัมปันโนจากหลวงอุตตปาทิวิชาวิชาวีประโยชน์มากโดยจานองนี้ แต่บางคนเนี่ยสนใจแต่กุเรียบมีกาเอย่ยคุเรทานจำไหมหนูคนเราเนี่ยมาวัดก็ามาแต่แตแกแผลอันตรายไม่เหมือนการชุวัดแล้วมาก็หาอย่างคนลเลืองกุเรองเรื่องในตัวการบางคนมาลงพ่อช่วหน่อยนะหัวย่าเลยก็มีนแต่ตัวเขาเองที่จะช่วยโดยเขาให้สามีดีนั้นเขาก็ไม่ทำแล้วลงพ่ทั่วยได้ยังไง ของพ่อเพียงเพียงจะส่งเสริมอนุโมทนาแผ่เมตตาเขาส่วนั้นเราจะช่วยตัวเองให้ให0หกสิบปอร์เซ็นไว้คนอื่นจะช่วยเราเพียงยี่สิบปรเซ็นั่นมากกว่านั้นไม่ได้เราจะไปสายใครเขาิงกับนอนอยู่ไม่ทางานในเขามีที่ไหนเราต้องช่วยตัวเองใ้ใหกสิบปรเ็นคนอื่นจะช่วยเราแค่เกี่สิบเปรเ็นพอแล้วเป็นแปดสิบเปอรเ็นเป็นการวิกายมาก อย่าโยมขึ้นมานั่งปฏิบัติกรรมฐานขอจเจริญพรเราต้องทำจริงๆถึงจะได้ขอ ง, ง, ง, ง, งจริงปะทำปลอมได้ของปลอมไปนะนตะมาช้วยไม่ได้เอราะปาก็ด้วยการพูดการคำนะปากใายปากมันจริงเท้าใายเท้ า, า, ามันรีบเดินรี บ, รบวิ่งไม่จะ่หยุดเฉยไม่อยากใครทําทให้ได้ถ้ายมมานั่งเฉยตะ ม, มาทําให้ได้้็โยมไม่ต้องทํา มันมันของไทยของมันเนี่ยวัฒนาไทยวัฒนามันต่างคนต่างธรรมจึงจะมีบุญวัสนาไม่เหมือนกันคนเราร้อยคนเนี่ยวัสนาเหมือนกันทำไมแต่คนเดียวหรือบางคนเนี่ยเป็นหญิงอยากได้สามีดีแต่บางคนก็ได้สามีใช่ไม่ได้เลยมันเพราะวัสนาของหญิงนั้นไม่ดีชายก็เรียกเป่าหญิงเขาเรียกสาวเขาเรียกจะเบ่าก็สาวเป่าพืออะไรสาวคืออะไร เขจะมีการแต่งงานเรียกเจ้าเบ่าตัวสาวมาจนแบบนี้ไงเบ่าหรือทายก็ปกครองบริหารต้องทํางานทุก อ, อ, อ, อย่างคือเบ่าหรือสามีก็ดูแลคุณลสตรีให้ดียิ่งสามีคือเจ้าสาวหนะ้าเขาขาวต้องมีเป็นแม่บาทท้านเทหะตาแม่บ้านการเลื่อนจะแชร์เชื้อไนปนที่อื่นนี่ยังนี่เขาสอนไม่ชัดเจนแล้วไม่นอกขอ้อกันเลยการปฏิบัติทำจึงไม่ได้ผล ผมนอกขอบมาปฏิบัติไม่เด็ดผลไม่ได้กุศลแตบบ่เระการได้มีความหมายอยู่ตรงนี้นะในนั้นเราก็มีหลักที่พู้เจาาสอนให้ครบผู้ใหญ่หนั่นนะไปไหนไปลา ม, มาว่าอย่าท้วงจาบดราที่รู้ใหญ่ที่มีอุโสพู้เจ้าสอนชัดเจนมากเวลาลองข้อบวชน้าเนี่ยต้องจบเลยนะโสภาเสยยะสวดติเป็นนะต้องจดเวลาถ้าใครบวชตามันนี้ ต้องเป็นพันเตต้องไปนเนาะบวชก่อนต้องไปเที่ก็เคารพกันอย่างนี้นะตื่ต้องจนะองดเวลาไว้มีความสําคัญกันจอดบางคนมาบวชหนะ้าเอารูปมาบวชจะไม่รู้ภาษาเลยว่าเขาจะจอดไว้หรือเปล่าตัวไว้ทาไมกองการอาอุโสพันเตเคารพผู้ใหญ่ะนะเข้าใจไหมกนะองมีเอาอุโสมีผู้เฒ่าผู้แกภาษาจีนเขาเรียกหวยเสี่ยเท้าเๆแปลว่าพ่อครูปู่ครู เราเอาสองเรียกหว ย, เ, ยเท้าถ้าหัว เ, เท้าเท่าแปลว่าโปูแล้วเข้าอีตัวนึงแปลว่าโปูผลที่เรียนไม่จบก็แปลไม่ออกนะถูกไหมต้องมีความเข้าใจอย่างนี้ด้วยคนที่มีความประจายต้องให้มีการครบรู้รไม่ใช่ว่ามีบวชนี่จะเอาใจใสายชิุกองนี่นไม่เไม่เลยถ้าคือบวชจริง น, นอนจะไม่เอาไหนก็ได้ของจะทำไป คนมาจับผิดเอาแต่ของขยะไปพอไม่เอาของดีไปของดีมีตังเยอะไม่เอาคนไม่ดีมาในร้านค้ามาหาบอกเท่าแกขายผ้าว่าเอาของดีราคาถูกมีมักไงมากได้เกินไปเลยได้ของไม่ดีไปของดีราคามันต้องแางมีราคาถูกมีทีไหายของดีไม่จะดีทุกองนะหนูจะมานาสององเงี้ยจะว่าทำไมดีทุกอง ขอฝากคุณเรียสอนปาจะเี็ดไเอาเลยว่ามันแก้แล้วกระเสกให้เป็นบ้างดีอไปมาไม่ได้แต่เจอดีนะมันแก้มาจากบ้านแล้วจะเอาเนื้อใต้พาให้เสียด้วยนะพาให้แบงดีเสียไปด้วยไปปนก็แบงดีอไปใชายเขาแก้เข้าไปเดียวไอแบ้งดีเรามีต้องร้อยใบไอแบงแกใบเดียวเขาไม่เชื่อที่หนาเราเลยไปใชายเาบอ้ยนี่ขคบมันแก้แก้ใบเดียวนะมีดีต้องร้อยาบเขาไม่เชื่อที่หนาเราเลย เหมือนาเาองไปล้านต่างานคานเนี่ยเป็นเซลเนี่ยเป็ผู้แทนจำหนายเนี่ยเราบอกว่าของดีราคาที่หนึ่งมาขายได้พวกปูยี่ปูยำเช่ น, นี้เนี่ยเราไม่เสียชื่อแหละต่อไปยี่ห้อเสียหมดเขาจะไม่พบพาสมาคมกับเราลขาจะมาซื้อของดีในร้านนี้คงไม่ได้เนี่ยเรื่องจรินเนี่ยอย่างนี้นะทำอะไรมีเหตุผลหน่อยเนี่ยผู้เจ้าสอนเหตุผลนะสอนคนให้ตุกคนให้ตื่นแต่คนให้เป็นงาน ไม่จะสอนโดยเลีวหลายไปทําบุญกันอย่างเดียวแล้วไม่อยจะปฏิบัติตนให้จะคนดีสําหรับบุญกุสอนนั่มีือวาสนาเลยแล้วคนมาปฏิบัติกรรมฐานไม่เห็จทุกคนหนูเขาไม่มีวาสนาอย่าไปว่าเขาเลยเขาไม่มีบุญคนที่ปฏิบัติกรรมฐานได้ต้องมีบุญวาสนาอย่างสูงส่งเขาจึงมานั่งปฏิบัติกรรมฐานถ้าคนไม่มีบุญวาสนาเอารถไปละพาไปโุดไม่มีโอกาสมาไม่มาแล้ว บางคนมาแล้วมาทําบาปก็กวันจะตกนรกแล้วรีบมาเข้ากรรมฐานเลยเอาบาปกลับติดตัวไปเลยเลยตายไปนรกเลยไม่น่ากรรมฐานหาเรื่องฮัลโหเลยก็ได้บาปลงนรกไปก็ เ, เหตุนี้เองเนี่ยไม่แจกคนเราจะไปสวรรค์้ทุกคนนะหนูไปยากแล้วก็มาเแยกไปนรกทุกคนนะคนดีก็ไม่ไป เ, เขาอยากจะไปสวรรค์แต่คนทั่วมันจะอยากนําตัวไปไปนรก แต่ไม่รู้เลยว่านั่นเป็นนรกแต่นี่ใจปัจจัยเอาดีไม่ได้แล้วมันก็ไปนรกเป็นเรื่องธรรมดากุศ ธ, ธรรมดาและธรรมชาติธรรมดาไม่มีรายวิเศษวิโสโนออกเหนือจะมีเลยแต่หลวงพ่อไม่ว่าใครหรอกใครจะนั่งกรรมฐาน่าสงองเจ้าจะนั่นาาน ง, งหรือไม่นั่งอย่าบระครับเพราะเขาไม่มีบุญไม่มีกุศลแล้วเขามันประคบนขาดบุญวาสนาแล้วเขาจะต้องตายไวๆแล้วเขาจะต้องไปหายญะเองความ อาญาณคงคิดของเขาเขาก็จะเอาของดีไปทำไมเล่าเลยก็พาของปลอมไปอยากโลดอยากอำนาจโลภะโทสะโมหะตป็ตัวปัดเลยก็เอาดีไม่ได้โดยวิธีนี้ไห น, นเลยจะเป็นคนดีได้นขาโขมเขาจะไปว่าเขาเลยคนมันแค่นี้เองสลึงเปลือไม่เต็มบา่าเต็มเปงมันก็เป็นไปไม่ได้เป็ น, นด้ยากบางคนก็เกินเลยเตินไปสลึงอีกนะมันไม่พอเหมาะพอสมเลยนะไม่พอเหมาะ ไม่สมควรและไม่เหมาะสมพระพุทธเจ้าบอกทําให้เหมาะสมถึงว่าตั้งพุทธรูปในบ้านเราเนี่ยตั้งอย่างนี้ดีไหมท่านก็มาห้ามแล้วสร้างทิศไหนก็ไม่ห้าวให้เหมาะสมกับบ้านของเราและเหมาะสมกับที่อยู่ของเราเรื่องหันหน้าไปทางไหนเหมาะสมหรือไม่ประธารใดนี่ตรงนี้เนี่ยการสอนเหตุผลและเหมาะสมไม่สอนหันไปทิศนา้นทิศนี้เสมอไปทำบ้านเรามันไม่เข้ากับทิศนั้นจะทําอย่างไร คุณก้าวบอกเหมาะสมถ้าไม่เหมาะสมก็ตางใหม่ให้เหมาะสมเราเป็นเจ้าของบ้านหลักเกณฑ์เมีเรียนตั้งเครื่องตั้งดอกไม้สูงก็เทียนเทียนสูงก็พวกนี่ไนะเนี่ยนี่หลับแต่เวลาต้างเราจะตั้งเราไม่เกิดผูกแบบเลยไม่นี้ดแบบนี้ระเบียบเนี่ยต้องตั้งทำนี้ระเบียบอย่างนี้ดอกไม้เหมือนกาสองผูกเทียนเทียนสดอกเหมือนตาธรรมวินัย โคสามดอกนั magic. ่นคือพระพุทธเจ้าองค์เดียวคือพระปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณพระมหาพงศ์คุณสามดอกมี่ใ่ไมเนี่ยตัารอย่างนี้ดอกไม้ต้องวางหลังหมดเห็นเนี่ยต้องวางข้างหลังโน่นแล้วก็คุ่มดอกไม้ตรงไวอย่างนี้เทียนต้องไวเียเฉลียงเฉลียงเียนีหมายถึงพระธรรมวินัยกาสนาคือแางว่างคือพระธรรมวินัย แล้พระพุทธเจ้าองค์เด <sh> <sh> ียวคือทูตท่นัเองถือะปัญญาคุณเราวิสุทธิคุณระมาภนิคุณก็ถึงจึถือหลักว่าปุสามดอกพอแล้วแล้เราจะไ่บอกว่าพุทธเจ้าประทับประงทูกสามดอกเป็นพระพุทธประทัองก็ไม่ใช่ปูกสามดอกนั้นคือพระปัญญาคุณดอกหนึ่งพราวิสุทธิคุณดอกหนึ่งพระมาภูาิคุณดอกหนึ่งนะเป็นเจ้าองค์เดียว ไอ้ตึงมันก็ออกอวนไปทั่วศึกษาพระพุทธเจ้าที่เกิดมาเนี่ยต้ไปศึกษาพระธรรมวินัยได้ของได้พระของได้จึงมาบวชได้พระธรรมวินัยจึงเป็นลัคนาจักรอย่างนี้เห็นไหมตั้งเลยมันสวยงามมันมีระเบียบเึื่อนมนาวัยนะครับแตาไม่มีศาสนาพิธีเลยพระพุทธโลกก็ไม่มีเครื่องตามก็ไม่มีมันก็ไม่เกิดกัปทาน นักสวดนั้งดึงศรทาเข้าไปหาจุดนี้ได้นนโดยวิธีนี้แล้วคนจะเข้าถึงแกนแทะเข้าพัางตามคุณคือต้นไม้จะเข่าสังเปกไปก่อนถึงจะไปหาแกนกล่องมีโลกเสียงติ่งลดกรรมคุณห้าโลกเสียงติ่งลดปุตตะรู้ธรรมาลมวิชิตนี่อย่างนี้นะนต้องหาสื่อนี่ดูด้วยนะ คนหนังสือหรือสิ้นห้าสิ้นแปสิ้นสิบสิ้นสองร้อยยี่สิบเจ็ดไอ้นั้นสิทธขาบดแต่สิ้นจริงแปลว่าปกติกายวาจาเทงนั้นสมาธิตอบแล้วว่าทำสิ่นให้มันคงอยู่ในจุดแห่งความดีปัญญาถึงจะเกิดไม่จะสิ้นเนี่ยสองรับรับันเสมอไป รับประพฤนั่นเสียงแตรับแต่เปล่าใจใจไม่ยอมรับก็ไม่เกิดประโยชน์การใดมันอยู่ที่ใจจริงหรือเปล่าใจจริงแล้วก็ปกติกายวาจาก็คือกรรมฐานคือมีสติทุกรีบท่บาหูจมุกลิ้นตายใจเนี่ยคือกรรมคุณห้าเอาทั้งทวานี้วานีโลกเสียงกลิ่นรสประพฤกษ์ลุทมาลมเด็กเจ็คือทวานหกนี่เป็นที่มาของกรรมคุณห้า มันเข้าวทางตาทางหูทางจมูกล่างกายใจก็กําหนดตั้งสติแล้วเรามีสมัชฌังสมัชัญญาดีก็เขา้าถึงแก่นประสาทศาสนาได้แล้วเขา้าถึงหลักประวัติศาสตร์ทางจิตใจถึงจะเข้าถึงแก่นได้มันต้องมีเปลือกไอต้นไม้เนี่ยมันไม่มีเปลือกมันก็ตายแก่นมันก็อยู่ไม่ได้มันก็ต้องมีเปลือกเรียกว่าสาสนวิธีสาสนะพิธีเนี่ย <c oughs> สำหรับการดำเนิน ง, งานของจิตที่จะเข้าไปถึงแผ่นแผ่คือประพุทธศัสนาะต้องมีการมคุณห้าตายโลกตอบไม่ชอบไปโลภะไม่พอใจจะโทสะไม่มีสติสมัมมาจารย์กายเป็นโมหะนี่อยู่ตรงนี้คือเปลือกแต่แกน่อเข้าทางนี้ไปเห็นหน่อเห็นหน อ, หนหนอที่ถึงแกนเนี่ยเห็นอะไรเห็นโลกแปลปวนเปลี่ยนแปลงดับไป ถ้โหลโกหลอกกดหลวงก็ไม่เกิดขึ้นมันก็ดับไปตรงนี้นี่ถึงแก่นเนี่ยหูยินเสียงเสียงหนอะเขาด่าเราโกรธเป็นโทสะแต่เราตั้งสถือไว้สิ่งก็มีด้วยโทสะก็หายไปวูบดับไปเป็นแก่นในสัจธรรมนะแกนแท้พระศาสนาอยู่ตรงนี้ก็ไม่โกรธไม่ไม่ยกโทษให้เขาเรามีแผ่เมตตาให้เขา อย่าไปเอาให้เขาเป็นคน่โสดตัวตทาไปปลูกพันธุ์พันธุ์เขาในการยืดขยายเขาเลยไม่ถึงแก่แน่การแพร่อยู่ที่นี้เนี่ยหนังสือการแพร่เราเอาไปดูข้อแรกหนึ่งการแพร่ตัวอนี้่อ่ะเรื่อนี้สําคัญมากจะ ไ, ไปวิยืยขยายความออกไปบางคนแจกไปบนกรรมฐานไปทิ้งเลยไม่รู้เลยว่าการแพร่คือหลักไม่รู้จริงๆเลยปฏิบัติผิดหมดใช่ไหมปฏิบัติไม่ผน ตอหนูดูหนังสือเที่ยวเดียวอย่าดูต้องดูคำเหมือนเห็นหนอเห็นคมเลื่อยเดี๋ยวสติก็เกิดขึ้นปัญญาก็เกิดขึ้นเหตุผลก็ตามมาคือแก่รินหนอก็จะเดียวกันลดหนอก็จะเดียวกันเปรี้ยวหวานมันเค็มอันอยู่กันเดี๋ยวเราจะเรียนรู้ว่าอ๋ออาหารนี่เป็นของปฏิกูลอันสัญญาเพื่อเลี้ยงชีวิตชีวาไปในวันหนึ่งไม่ไปติดลสอาหารเราจะไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองข้าวโลดไปกินอาหารจไกย เนี่ยติดรสอาหารก็เป็นกิเลสอันหนึ่ ง, งนเนี่ยนี่ยังเนี่ยบังคอนทำก็ไม่ได้ตั้งใจจริงเนี่ยช่วยไม่ได้หรอกไน่รู้จะไปช่วยเขาอย่างไงให้ได้ถอนฝากเขาไม่ช่วยตัวเองนะไม่ช่วยกองเองหลองพ่อจะไปช่วยเขาอย่างไงหลองพ่อเพียงแผ่เมตตาส่งเสริมชีวิตของเขาฝากเขาไปทางดีหลวงพ่อก็ดันตูดไปกระลุนไปให้เขาไปดีให้ได้ฝาเขาไปทางชั่วยหลองพ่อก็วางเดือดา ลุ้นไม่ได้ดึงก็ไม่ขึ้นแล้วไป ต, ตอกปล่อยไปตามเถี๋รรท้าตัมนะช่วยไม่ได้แล้วแผลเมตตาก็ไม่รับเมตตาของเราเลยนะหรือไม่รับคาสอนไม่เอาตามที่สอนแล้วเราจะไปช่วยแผลเมตตา ม, มันก็เสียเวลาหรือเกินมันอยู่ในจุดนี้นะอันนี้เป็นจุดสาคัญอันหนึ่งระแับนักกรรมฐานใจหยัประเมินผลตัง้งฐานไม่ได้ไอ้มันฝุดภาวนาเราืขขอ่อยๆแต่ดวงใจไ ส, สหนาดออกมาเอง ถ้าไม่มีทานตามคุณห้าคนนั้นไม่จริงแก่ไม่มีการกำหนดเสียงเลยโูกก็ไม่กำหนดติดออ ก, อ ก, อ ก, ก, ต, ออกติดชิดหนอก็ไม่มีรู้หนอก็ไม่มีคนนั้นจะรู้ไม่จริงคนนั้นจะรู้ตอมปลอมเห็นใจไหมจะรู้แต่ไอ้เปลือกนอกไอ้เปลือกในหาที่รู้ใหม่เหลือของจริงจึงรูง้ไม่ามมาาจริงโดยสี่นิ้วกระดาษหนึ่งนักกรรมฐานต้องปฏิบัติจริงจริงเท้าเดินจบต่อไม่ท้ายสุด อย่าไปดูหน้าดูตาใครการโค้นทางเดินทางสนามก็เยอะยะน้าห้องก็มากมายในสนามนั่นทางโค้นทางเดินอย่าใส่รองเท้าเราเพื่อกาวเท้าสัมผัสกับดินกับน้ำข้างกับหญ้ามันจะได้เกิดไม่เกิดโรค ก, กโลกคาไอ้ดินจะได้ดูดโกคบไปลายเท้าเพราะจุดนั่งนั่งอยู่โคนไม่ผู้เจ้าสอนหน้าโคน้นไม่ เรียกว่าลมูเรตนาสนางนิสายาปปชาตตเตยอยิวางกล่าวอกีโยอาทิเลกาโอคนไม้แล้วก็มันก็ดูด่อไปไอ้ชนไม้มันก็ดูดเอาไอ้ข้าวบอนดดายไส้ของเราโรคภัยภัยเจ็บก็หายได้ไม่ไปเอามาพาเนี่ยจึงนิยมอคนไม้อยู่เรือนร่างวางกล่าวอยู่แต่ผู้เดียวอย่าไปคุยกันและอย่าไปอ่าไปสนทนาการ ได้เราปฏิบัติแต่อารมณ์ของเราดูอารมณ์ของเราทุกวันศึกษาอารมณ์ทุกวันกําหนดสื่ให้มันได้ทางสติไหวทุกประการอย่าผิดหวังในเรื่องทางสติรับรองได้ปัญญาหนุจิตสะสมเข้าไว้อย่างมากหลายแล้ววันหน้าเราก็เกิดสอนได้อันนี้ของในการปฏิปัฏฐานตรีในการปฏิบัติให้เกิดปัญญาญานอรู้กแก้ไขปัญหาจะเรียกติดกระตัวบายไไม่ไปนรกแน่ นี่มันอยู่ตรงนี้นะ <wwww S 1> ่นรกตุแปลกุลกายสเดชาล์ก็จะได้ไม่เป็นมนุษย์สติลิโกไม่เป็นมนุษย์นรกไม่เป็นมนุษย์แปลกไม่เปนุษย์เดชะล์ก็จะไปมนุษย์ธรรมดาแต่เป็นมนุษย์ตเทโวเป็นมนุษย์เทวดามีนีโอตปะไม่จิตใจสูงมีความเป็นตัวต่อบาปมีความละอายใจไม่ทำบาปแน่นอนมันก็เกิดขึ้นในตัวตนนี่เรียกว่าเป็นมนุษย์เทโว เป็นมนุษย์เทวดาล่างของมนุษย์แต่จิตใจเป็นเทวดามันก็เกิดขึ้นโดยทีนี่อันนี้นะกรรมาฐานก็ต้องศึกษาด้วยได้รู้ว่าการอญญายนาธาตอินทรีสัมผัสตัวจิตตัวจิตทางตาก ำ, นะ ก, ง ก, ำงกำหนดให้ได้เกิดจิตท้งหูกําหนดเสียงหนอเสียงหนอกําหนดให้ได้แล้วพยายามตั้งสัจจาว่าวันนี้หนึ่งชั่วงเดินนั่งหนึ่งชัง่วงให้ติดต่อกันไ ป, ไปอย่าไปทำงานอื่นนะ แล้วกิจกรรมของกรรมฐานเมื่อเกิดแน่นแฟน้นในภาวนาดวงใจสัญญาก็ขึ้นมาด้วยความจิตใจมันอยู่แบบนี้นนมีอะไรสงสัยไหนะ้าต้องถามต้องไปหาสือดูิกเราต้องไปนักวิจัยต้องศึกเยอะนะ่นาะแมีอะไรสงสัยถามพ่อเราไม่ต้องไปวิจัยที่ เ, อ, เอาอน้วัตเนี่ยล้วต่างคนต่างวิจัยเนี่ยธรรมดาของคนอย่าง วิจัยเนี่ยมันการวัดอย่างที่ลูกศิษย์รักเตอร์ถึงด า, าเข้ามาอยู่ที่เนี่ยเขาได้ดรักเตอร์ไปแล้วเขามาอยู่นี่มาตั้งหลายเดือนเราไปเดินตามบ้านแล้วก็เหล่านิทานชาวบ้านให้ฟังและชาวบ้านก็มีความเป็นอยู่อย่างไรและผู้สัตว์หนาช่วยประชาชนได้กินอย่างไรกล้วยอย่างไรเลยมันก็ไปวิจัยอย่างเนี่ยมันวิจัยแต่ละบ้านานึ่เมืนกันหรอกในใจวเอาหนังสือมาเขียนไปวิจัย ก็ต้องวิจัยด้วยความจริงอย่างเนี้ยหมู่บ้านนี้เขาทําอะไรการประกอบอาชีพอะไรได้ผลแบบการใดก็แสดงออกมาอย่างนี้มาวิจัยพระพระเนี่ยได้ผลเป็นองค์องคหนูองค์ที่ปฏิบัติจริงๆตามคําสอนพุทธเจ้าไม่ผิดหวังแต่ละองค์เดียวทำไมเอาเนื้อตายก็ผิดหวังของเขาแล้ว แล้วไม่ใช่ว่าบวชวัดนี้วัดนี้ไม่ดีเลหน้า บ, บวชไม่ดีก็ไปพทษวัดได้แล้ววัด ม, มันเป็นรูปธรรมนามธรรมมันเป็นรูปนางเหววัดวัตถุแล้วนมามธรรมมีมั้ยมาอยู่ในวัดไม่มีนมามธรรมมีวัดไม่มีจิตใจทไหนแล้ววัดอาคารสถานทีใใ่ให้เร า, อ, า, า, รารเอยู่อาศัายแต่เรามีจิตใจเรียกว่านมามธรรมก็มาปฏิบททัติธรรมขึ้นมามันจะรู้ตักวัด ไม่ใช่ผมไปมนโนวิธีไปเห็นรูปแล้วก็สวยงามแล้วก็ติดตัวในรูปนั้นช้าไม่ได้แล้วหลงไอ่ใช่ไมนะ่น่าหนูฟังเลยสมคิดดปเยนะแล้วกไปหาประทึกหลักฐาเนเขียนใจแต้เป็เประโยชน์ให้หลายคนคนที่เข้าวัดนี้หลายประเภทนะหนูนะไม่จะเข้ามาหาธรรมะอย่างเดียวม่กลุ้มใจหาที่พึ่งมาได้จรงมา มันทุกเหรือเกินก็มาหาว่าเต่ิพึ่งส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นบางคนก็มีสุขสบายเขาเป็นเตจีมีเงินเปร้อยร้อยล้านวัดอย่างนี้เขาไม่เคยกลับมาเพราถือว่าไม่รู้เลืองกันต่อไปปตบทุกข์มาแล้วมันหาที่พึ่งไม่ได้ก็ต้องแสวงหาไปหาที่พึ่งก็ถึงเขาวัดบางคนก็ว่าไปก็อีกละมาบวชนานาก็อกหัก คนมาบวชทีก อ, อกหักว่าอะไรเนี่ยฮอะก่อนที่ริงไม่ใช่แล้วมันก็เป็นส่วนนี้ส่วนนะมันก็มีส่วนนึงกันกเดี๋ยวหลวงพ่อมาบวชนานนี้ก็ อ, อกหักกันสิเนอะไม่ใช่แล้วเราไม่จะตั้งใจมาบวชไม่ศรัทธาแล้วมาบวชเพราะของจริงเนะเราก็เออใ่ของจริงเนี่ยแล้เราจะอยู่ต่อไปจนกว่าชีวิต แต่ารเนี่ยเขาก็ม่าการจ่ายจะมาปฏิกัตธรรมหระก็บวชตามประเพณีนั่นน่ะนี่อย่างประเภทหนึ่งบวชตามประเพณีบวชรับบวชรองบวชรองประเพณีบวชนี้สงสารบวชสาระสุกบวชสนุกตามเพื่อบวชน้อยก็คอยงานบวชสังขานเถื่อมบวชเปื่อนสายบวชทำไมหลวงพี่คอยงานได้ก็เลยสึกไปนี่อย่งนี้เยอะนี่ว่ามีไม่ใช่ว่ามันเหมือนกันทุกคนนหนูพอได้งานก็ตึก ไม่ได้งานก็รอไปก็เป็นพระดินไปวันหนึ่งอยู่ไปวันหนึ่งไม่ไม่ดีที่สุดเรียกว่าสังกะตายต mm ัว hmm. วันหนึ่งไม่ดาอะไรเกิดก็อยู่ทาไมสังกะตายแล้วอยู่สร้างประโยชน์ไม่ดีหรือย้ายเสียชีวิตเสียเปล่าให้อายุก็หมดไปโดยท้ายเหตุชีวิตมีมิลธรรมมากพอเวลาที่หมดไปไม่เกิดประโยชน์ที่อยู่ก่เถย่นเนี่ยกิ่เถื่อมีประโยชน์ไหมนะมันก็ไม่มีประโยชน์แต่สับตะลานได้ ดูก็เป็นที่ไว้ใจไปที่ถึงก็ได้ลำพึงอลำพานกาันนี่ก็แับโลกสาหรับธรรมก็อยู่ก็ให้มีที่พึ่งไปก็ให้มีที่พึ่งติดตัวตายเปิดมาชั้งทีก็เอาดีให้ได้ไหนมาปฏิบัติธรรมช่างทีก็เอาดีติดตัวไปให้ได้ไหนจะตายจําเป็นจะต้องตายทั้งทีต้องพึ้งความดีไว้ให้โลกได้แล้วก็เอาผู้สอนไปสู่ผลคือสวรรค์นิพพานให้เสรได้นี่ต้องปรารถนาอย่างนี้ ถ้าไมป่ปราการโฆณาแล้วมันก็เป็นไปไม่ได้เลยนี่เป็นไปไม่ได้ฟังไหมถามได้วันนี้อยู่ให้ถามเดี๋ยวตอนเย็นต้องไปเนี่ยตรงนี้ต้องไปเทศใ น, นวัดฤาษีลัคนากัติดาลาภเป็เทศวจะรีบมาตอนกรรมฐ า, ามนนะภาคมืดแต่ตอนบ่ายลงมาไม่ทันจะแสดงธรรมที่วัดฤีลัคนากัติดาลาภ แนวหนูจำไว้เวลามัมีค่าเหลือเกินไอ้ชีวิตของเราจะตีราคาเข้ากับเวลาที่หมดไปเดีย๋ยวไปวตีเวลาราคาสองชั่งสามชั่ 3. ไม่จะเทศมีจินดาได้ตีราคาที่ของเราอย่างนั้นไอ้เทชมีจินดาแยกทองคามันก็พึงงจีนลงโลงแต่ชีวิตเราก็ยอมจะขึ้นลงแบบนั้นเหมือ น, นกันแต่โดยวิธีปฏิบัติแล้วมาเห็นไปอย่างนั้นชีวิตต้มีค่าถึงที่สุดตีค่าราคาไม่ได้ เราจะตีค่าราคาเราก็ต้องตีเวลาที่หมดไปน้าที่ดได้ไม่ทําอะไรก็เลยเนี่ยตอนตียังไม่ตีน้าที่ได้ไไเวลานะอ่ะทํอ า, ท า, ทาทอะไรอยู่ก่มาจนเป็นสาวก็วจึิงนะทุกถึงต้องสร้างประโยชน์เหมือนหนูไม่สร้างร้านค้าไว้เนี่ยไปก่อนเก็เลยเนี่ยหนูได้กำไรมากนะพอไปสร้างร้านค้าจนแก่แล้วเนี่ยไปไม่แน่และ้ะไปไม่แย่มันแย่แและ้ะเขาวัดกําลังแกรมันก็แย่ลงไป อสร้างความดีก็เป็นเด็กไม่ดีหรือจะได้กลายตอนแก่นะเดือดไหมอ่ะบอกรบบอกอ๋อฉันยังสาวให้สาวพุณย่าเดินถือตะกร้เท้าก่อนจะปฏิบัติธรรมน้าที่นาย่ะตายเนี้ยตายเนี้ยมาเดือดปฏิบัติแล้อืออเขาต้องเป็นในเด็กอล่างเล็ดเอยู่นี่สะสมหน่วยจิดจังไว้เหมือนตั้งลานค้าก่อนเขาหนูต้องไปจะาของตลาดแน่กลนวไหมอ่ะ มจริงๆพอเวลาจะตายเราบนกระถือตีกับพระแต่หลพูดโทรจะพูดยังไงเพราหก็ไม่รู้ดโทก็ไม่เข้าใจจะตายแล้วเนี่ยเป็นยังงี้เหมือนยังเตจือเนี่ยหนูจำว่าเตจือเนี่ยเหมือนหมูเหมือนหมูยังไงเนี่ยหมายความดีตอนตาย ตอนายแยกเนื้อกันแยกเนื้อกันนะแต่ไอ้งวควายอย่างดีตลอดชีวิตมันไถนายประชาชนมันช่วยเหลือประชาชนนะช่วยค่อยเล็กเกน้อยๆช่วยค่อเล็กเน้อยน้มันก็สร้างความดีเรื่อยๆอนี้แต่ไม่มีคนอยากได้แต่เศรีที่ไม่ทำอะไรเลยนะสะสมไว้ไม่สร้างประโยชน์เลยเหมือนงูควาย มันสร้างประโยชน์ประชาชนข้างมันก็ไปลากตูงมันก็สะสมความดีไว้เหมือนกันตายหมูนี่กินลูกเดียวกินลูกเดียวไม่เห็นใครมีใครไม่ทำดีตอนตายทิ้งจะขี้มันไปของนั้นกินไปหมดหนังเนื้อไตเล็บตายยายกินไปหมดนั่นคือเหมือนเศรษฐีดีตอนตายเวลาตายแล้วก็ เต็น i ์บายพิธีกรรให้หลงพยาบาลให้นอนให้ล้านให้ไปลูกออมาออกันเถอะแม่จะให้บิ a ตึกแม่จะให้ล้านดีตอนตายจะผีหมูเดี๋ยวนี้จะผีหมูเยอะเวลาดีๆไม่สร้างประโยชน์ไอ้สร้างประโยชน์กัดีๆจะมึอกึใเรามีเงินหลายร้อยล้านสาให้เห็นนตาเลยไปเอาเศษะปุ ไม่ไม่ทำบุญทุนทานแล้วไม่ช่วยประโยชน์แต่ประชาชนแต่ประธานได้เวลาตายอ่าดีเหมือนโหมาแล้วเวลาดีเดียวเหมือนเข่จะตายหมูแบบนี้เนี่ยีเผลนะเนี่ยเข้าใจได้ทุ่นเนี่ยเนี่ยหวพ่อเคยไปเยี่ยมเตี๋ยวถิ่นโรงพยาบาลโอ้โหเข้าคิวไปเลยไอพ่อก็จะตายเงีย้ยเงีย้งยแต่ ย, ยังพูดได้เข้าคิวมารับใหญ่กัรับแกกเงิน นเนี่ยมันเนี่ยดีตอนตายเวลาดี ไ, ไม่ทํำลายแล้วก็บอกปลอยเช่นตึง้งถ้าไปหนึ่งล้านเวลาดีๆมันจะทามีเวลาจะตายยังมาทําแล้วก็ดีตอนตายชิวหมูเวลาอยู่ไม่มีความสนุกในการการทำมูลขุ น, น, น, นทาน ท, ที่ช่วยเหลือประชาชนเลยเนี่ยเศรษฐีหมูดีหมดเลยที่ใช้ไม่ได้น้องเนี่ดีหมดดีตอนตายแต่เวลาดีๆจะเหม็นที่กานหมูอะนะ กระจายนะเนี่ย<ม>แต่งล้วควายเ่ยมันช่วยไถนามันมา ม, น า, ามันก็หลกักรดข้างก่อนเข็มสูงมันก็ดีตั้ต้นเลยแต่เศรษฐีห ม, มูเนี่ยดีตอนกายร่างกายแย่งสมบัติเสียทิ่นายกรให้โรงพยาบาลสองไอ้หน่อยนี่เวลาดีๆเนี่ย น, น่าจะไปช่วยสุขชาติให้เกิดผล ยังเงินเนี่ยตัวเองหามาได้อยู่ความเหนื่อยยากพาจะตายก็เป็นงคนอื่นหมดเลยใช่ไหมเนี่ยตัวเองก็ไปจะตัวแล้วหมูอ่าทํำแบบนี้ดกอย่าไปเสียสีหมูมันมีตัวอย่างที่เราวิจัยนะบอกคนคนจนดีอแต่ทําทุกวันเอากําลังตายไปช่วยเขากําลังใจไปช่วยเขาเงินไม่มีจะช่วยถ้าต่อไปมีพลังสูงเป็นเทวดาอีราวัน สามารถมีพลังมากกว่าที่ยินนะเอากําลังกายไปช่วยแบกหามก็ช่วยเท้ากําลังใจก็ช่วยเอาหนูธนากระเท้าไม่ขาดปอไก่รับรองมีพลังสูงในข่าต่อไปพราะคนเราหนูดูติดกาลังกายอนี่ยมันเหมือนกันไหมกําลังใจก็ไม่เท่ากันกําลังกายแบกหามก็ไม่เท่าการบอกคนมีเงินจริงเนี่ยยกโต๊ะยังไม่ไหวเลยเห็นไหมเนี่ยพลังไม่มีมันมีความหมายอย่างนี้ ในยาจอมผู้ปฏิบัติธรรมก็ดีทุกท่านเรามาจากบ้าน่ะสร้างความดีละทั่วละผลที่หมดิ่งที่ไรสาระอยากเอามาปนในะห้องกรรมฐานเดินจงๆมมันปวดมนตนภาวนาเถิดเราจะได้สร้างบุญสร้างกุญผลก็นนได้ประเสริฐล้ำเลิศใหนใจใจจะประเสริฐที่ตัวไปเงินทองเรื่องเล็กไม่ต้องมีเงินเล็กน้อยมาทําบุญสร้างพระลาสร้างโบสถ์ไม่ต้อง พอมาขอร้องให้สร้างบุญในกายทาใจประเสริฐเหมือนล่าเลิศเป็นนักนอริยบุคคลในจิตารทุ่งกอนยอมจะผ่องใสแล้ะยอมจะมีทานการไปสนเกิดขึ้นในกายเงินไหลนองทองไหลมานึกเงินก็ไหลเงินนองนึกทองไหลมาจะได้ใจทําบุญทีหลังอย่าขอฝาก็ขาดิเงี้ยบางคนไม่เอาเนี่ยต่อสายบาสก็ไปทําบุญตรงโน้นก็ไปทําบุญตรงนี้เลยกรรมฐานไม่ได้เงี้ยนางไม่ได้เงี้ย ต้องการให้เอาบุญจุดใจให้มันปลุกขึ้นมาจากดวงใจเยอะหนากรแล้วทานบารมีจะเกิดขึ้นต่อไคหลังเดี๋ยวเราก็มีเงินไปทําบุญจุดนีไม่จะอธิษฐานจะมานั่งกรรมฐ า, านขายที่จะร้อยล้านจะมาทาบุญรับรองอีกรอชีก็มาด้บุญมัวไปบุญแบบนี้ต้องเอาบุญเข้าตัวก่อนเอาวาสนาใส่ตัวก่อนเอาบารมีให้กับตัวก่อนคือความเพียร เทียนเม้าทอไลบุญก็เกิดขึ้นวัฒนาก็ตามสองผลเงินก็หลนองทองไหลามาก็ไปอยู่ไหนก็เงินก็ไหลเข้ามาเราจะเอาเงินนั้นไปทําบุญเพื่อเหลือประชาชนเชื่อตุนต่อไปตรงนี้เนี่ที่สอนเนี่ยตรงนี้ไม่ได้สอนเอาสตงางค์มาทําบุญเพื่อจะมา่านา้ําข่าไฟข่าตุลามันไม่มีเอาเงินมาทําเราก็ต้องเอาเ ย, ยร์ัพย์ภ า, ายในมาใส่ใจยิ่งทํายิ่งได้ครับภายในยิ่งออก ไอ้ทพภายนอกยืนทำนี่หมดเอาทรัพย์ภายในก่อนที่เดินพับภายนอกมาบางคนไม่เข้าวจ๋าเยอะทรับทย์ภายในที่อยากให้ทําตอนนี้เนี่ยมีอาา ร, ริยครัพอันเสด็จมีศรัทธามีศิลปมีสมาธิมีปัญญามีจาคะในจิตใจเสี ย, ยสละเวลาให้มาทําประโยชน์ในกรรมฐานแล้วอย่าไปกังวลโศนเท่ต่อทางบ้านของตอน ต่อว่าต่อ บ, บ้านของตอนขาดปริพศกังวนมาอย่างนี้ที่เรียกว่าหยีทรับเราจะมาทําจะได้ดผลจากการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าทรัพย์ภายนอกนะบางคนก็บอกโอ้หลวงพอ่อตะางก็ไม่พอและจะมาช่วยขนาน้ํำขัาไฟไม่ต้องบอกแล้วก็ไม่เชื่อทํามีบ้างมาเหลือเกินเหลือกินคอยถามตอนซี้ไม่ขาดพ้องการเดินทางไม่เหมือนวัดอื่นนะ วันอื่นเขาต้องเค่าอาหารค่าน้ํำผาไฟบวดทีปลามทานบารมีใส่บาทองค์สามร้อยสี่รอยแล้วค่าของการตัก็ระสุกอันนี้ไม่เอาแล้วเสียสลากให้โยมแล้วโยมก็ต้องเสีนสลากบ้างเพืเสียสลากเวลาทำกรรมฐานให้นักยังใี่จะรมาชอบใจหรือเกิน่ไม่อย่าเสียสลากเงินเอาเงินมาจากบ้านเนี่ยมาทําบุญวัดนี้ใหมากๆอาธมาเคยพูดไหมขอถามจริงเน่ะ เี่ยอย่างยอมาตะกี้เนี่ยเคยบอกบุญเขาไมเนี่ยอย่างอาเสียชนรวยๆชนะอนุโมทนาที่เขาทอดผาผ่านในวันนี้ตรงเอไม่เขาได้บุญไปเลยถาบางวันเกาะยอมาที่ช่วยสร้างน้ลายเลยเชี่ยช่วยจามบอดเลยเช่วยสากุติเลยเชี่เดี๋ยวจะเียกาแฟนั่นแหละทาไม่ามบุญมาต้องเรียกกามานะเอ๊ะนี่เลียงแนวนะถึงจะเข้าขอปทุมนะ เลี้ยงอเลี้ยงเนี่ยเทียนนายวัดโนนก็เลี้ยงข้าวซะไม่ได้ทราบมาว่ากุ้งเผาซะด้วยปลามันไม่ลากุ้งเผาก็แต่กูเนี่ยเลี้ยงไปกิโลเลยกิโลต้องสามน้อยกว่านี่บอกให้นะน่แต่ที่ดี่นะจ๊ะได้ลาก็บอกว่าวัดนี้ดีที่จะกรงเสริมไปทำทอดได้บุญปางแห่งไปจอดวัดโยมวัดโนนจะทอดแต่ละวัดนี้บังแท้ อธิเนสร้างลาเกำลังสร้างมีพูดหรือเล่าวนี่ยเฉลีพูดเราเราไม่จะรับพูดอย่างนั้นต้องเรื่องอะไรแต่เอาของเขาแต่ขื่อนใจมาก็พอใจมาถึงวัดเรามาเหยียบวัดเรามาเยี่ยมเราเราก็ดีใจแล้วเาไปเอาเขาทไมเนี่นี่วิธีพูดให้รู้อย่างนี้ยอมมาดีแทำบุญนนาล่ สักหมื่นแล้ววัดนี้ยังเป็นจะทําหน่อยเชะนั่นไงจะดีกาไปเลยจะดีกาไปเลยวัดนี้ไม่เอาเมือนจะชาไม่ง้อนไม่ยากหน้ายจะไปเอาก็ทำไมเราต้องส่งเสริมกระทาเขาจะทําที่ไหนก็ดีไปทอดพระป่านครสวรรค์มามาเงเกลียวเลยโอ้ยหลวงพ่อแหมบุญกุศลมู้ฉันนะไปทอดพระป่ามาเนาะโอ้ยสาตั้งโต๊ะไว้รับเปล่าเราจะเลี้ยงคนในโบสถ เลยมาเรียบลอยเลยตาทุ่มาลงพอ่อสัญญาณสูรรู้ว่าเราหิวมาไปทอบว่าพระปาคะนครสวรรค์เขาไม่เลี้ยงเลยหิวมาเลยแหมปูนก็ฉลองตรงมาได้กินบัดนี้พอใจเลยแล้วพอใจเนี้ยแล้วลกินจะเรียบเลยเออเลยต้องเรียกทำด่วนเลี้ยงพวกในโบสถ์อีกสองร้อยคนเห้ยมนแล้วเขาไม่รู้กันสองข้างไม่รู้กันเลยต่างคนต่างไม่รู้กันเล ย, เลยใช่ไหมเนี้ยเราต้องทําให้เขาไม่รู้ าบางวัดก no like ็บอกว่าโอโยมมาทําบุญวัดธมามั่งนะโยมนะกําลังสร้างสักลาไปตั้งหลายล้านแล้วเงินยังขาดอยู่นิดนดอยแล้วก็ปีนี้ขอประปาสักกองนะโยมนะกองพันกองสองพันนะเรวจะมีของขวัญให้ไปที่ระลึกนะโยมนะวันนี้ไม่เอาไม่งอห้่งอนขอาปล่าเลย ขอฝากไว้อันหนึ่งถ้าโยมรักเคารพอาตมาขอให้ทำกรรมฐานให้ได้เท่านี้พอใจเนี่ยทำกระมาฐานนี่มันแก้ไขปัญหาชีวิตง่ายมันติดตัวไปได้มัจะเาเงินมาทมําบุญแล้วแก้ไขปัญหาได้ในัานแก้ไขปัญหาได้โยมไม่ต้องนั่งกรรมานเอาเงินมาผลันมาผล ะ, ะหมื่นปีก็ได้แล้วแก้ปัญหาได้ไ ด, ได้ไหมโอ้เจริญพระคุณวันนี้ขอทําบุญสักบาทเถอะ ขอให้มีฐานจาบไม่ถูกหวยตั้งที่สอง ล, านนล้านเนี่ยอยกจะมาทำบุญเอกเอวามก็มีจะประกาศนี้ตบตอบแล้วรักแบบระกสมงให้พรเกินโกตตายมค่ากำไรเกินควรไม่สม่วนการค่ากำไรเกินควรแล้วจะไปอยากถูกหวยรัโยมขอให้ลำรวยเงินหลายนองทองได้มาพอแล้ว แลวเมื่อสี่ร้อยล้านมันจะพอตมาจะให้ไหมให้คนละพันล้านเอาไหมพอไม่พันล้านพันชิพพอไม่พันล้านไม่จริงไม่จริงไม่จริงไม่จริงไม่จริงอีกข้นึ่งบอกมาที่นี่มาหนักกรรมฐานหลวงพ่อจะขาฉันรวยไม่ต้องมากเลยค่ะแพ่หาแสนแค่ก็เหลือกินเนี่ยฉันไม่เอาอยากไดเงี้ย ก่อนั่งกรรมฐ า, านกลับไปนะไอโ้นโนก็นายค้าขายก็ลื้ได้มาเป็นถึงล้านล้านกว่าเศษพอล้านเศษมาเนะี้ยหลวงพ่อเอ๋ยที่จะพูดกับหลวงพ่อไว้นะห้าแสนก็เหลือกินนะขอพูดใหม่ตอนนี้น้องเขาจะ ท, ทํากิจการห้างหูนส่วนจะกลับจะขาดก็นี่ต่อสี่ห้าล้านนั่นแหละเห็นไหมน่ะเห็นไหมนะเห็นไหมนะ เ, นมนะเวลาพูดให้มันขอนะ้ยห้าแสนขอนะเนี้ยเหลือกินเหลือใช้ พอนั่งกรรมาฐานจากไปก็ได้เป็นล้านขึ้นมาด้านเงินขึ้นมาตามที่ได้หลวพ่อค้าเขาเปลี่ยนกับพูดใหม่เพื่ะน้องเขาจะตั้งร้านค้าเพิ่มขยายนานผ่านอีกสองลานนะตอนนี้จะมานั่งกรรมาฐานเพิหน่อยอีกสอง้านพอแล้วพอแล้วนะฮะเอาพอตรงเอาหน่นนกนากรรมฐานไปเดือนหนึ่งกาหน้าจากไปน้องด้วยจากไปอีลานนึงก็ได้พอได้เสร็จนะ่ยหลวพ่อค้าน้องขายก็จะขยายแย่ yeah. จะขายายอู่แล้วหลวงพ่อขอ อ, อีกสสองล้านเถอะเอ่วางก็มีเลยปากตาศนิดมมีการพอรับอาชีพหลวงพ่อว่าวานหอประชุมพอไหมพอหรยอเหลือกี่เดชาเฮียอบรมเนี่ยคนไปรอดไปพานพอแนละ้วดูมาไม่ช้าเอาสละคุยเนี่ยพอเลยเนะี่ยพอไหมเนะี่ยพอไหมไม่พอถึงไปตามสลา เนีก็มันดานกันเนี่ยพระยีผ้าองค์ก็นั่งขอมบนหมดสั้นล่างนั่งไม่ได้ก็ต้องมานั่งล่างอีกต้องเท่าสิบมันก็ไม่พออย่างนี้เพราะฉะนั้นข้อสรุปว่าคําว่าพอไม่มีถ้ามีถึงก็พอมาหลายมีความสุขเหมือนนั้นมันไม่พอหรอสมาวยังไม่พอเลยเนี่ยสร่างก็ลาเขาเยอ่เอาชั่วพอไหมพอแล้วร้อยสองรอยห้องพอเหลือกิน มาตอนนี้ผ่ากันมาแห่มาแย่หลวพ่อพอไหมไม่พอแล้วต้องสร้างอีกยี่สิบห้าห้องนี่มันมีพอไหมถ้าถึงตัวพอเลิกการเอวังก็มีประชาชนีอานิกาวัจจสามขาลาอานิกาวัจสามขาลาทั้งขาลนเป็นยังไงหนอตายแล้วปัจโมสุโข พอถิงตัวรีพอแน่ไม่พอต้องพอปัตตโมตุโคงพอเลยตอนนี้ยังพูดอยู่มันไม่พอเอาญากโยมมาเนี่ยมีแตวอยู่ห้าลูกเลี้ยงอยู่ห้าคนโยมมาต้องสิบคนมันก็ไม่พออีกอ้าวสิบคนเอามีสิบโลกมาต้องห้าสิบคนก็ต้องไปหาไม้พอห้าสิบโลกพอ50ลูโลกพอแล้วเดืนพรุ่งนี้มายี่ร้อยกว่าคนพอไหม น้นทาไม่พอต้องหาอิจนี่มันไม่พอถึงตัวพอแล้วก็อนิจจาเลิกได้เนี่ยมันจะพอที่ไหนล่ะในเมื่อเรายังอยู่กับโรกเขาอย่างเช่นนี้มันก็ไม่มีพอทำไมอย่างพังเทป บ, บ้านใหญ่ก็วัดอย่างเนี้ยอ๋อเลยมีเพื่อนเยอะเขาไปอีกมีลกูกมีหลานเพิ่มอีกหลานหลานมาอีก เออไม่พอใะ่ไหมไม่พอให้หลานน่าไม่พอให้เพื่อนน่าขยายจะคล้องเพอินี่คําว่าไม่พอมันก็ขยายไปคนมันมากขึ้นประเทศไทยในสมัยจะมาเรียนหนังสือแปดที่แปดล้านคนในสมัยอยู่มัธยมเนี่ยที่แปดล้านจำได้แม่สมัยจอมพลปอยบุญคราบแล้วไปไหนก็สะดวกสบายบ้านช่องห่างเหินคนไม่แย่งกันกินแย่งกันใช้บัตรนี้ห้าสิบล้านแล้วแยกงกันกินแยกงกันใช้แยกงกันหางานทํา แยกการเรียนแยกการรู้เอาวิชามันต้องแยกเ่านั้นะบักอ่อนไม่ต้องแยงเลยแค่มหนึ่งถึงมหกยังไม่มีขยะเรียนเลยต้องบัตรต้องการเรียนสาวนาไม่เรียนหนังสือเรียนแต่เฉพาะลูกเคยจะจานลูกทานหลานเธอเท่านั้นคนสาวนาส า, า, าวสวนไม่เรียนหรอ่อแม่ก็ไม่เรียนเอาลูกไปทําสวน ท, ทําไรใช้งานเด็กมันจนึงมีมากสมัยก่อนมาสมัยนี้เอาตกองเรียนนี่ยลูกเลยโรงเรียนเป็นการบวกสิบบุรีสองร้อหกสิบ ทบได้ัหมเดี๋ยวนี้โรงเรียนสามพันสองพันเยอะทุกอำเภอแล้วคนจะไม่แน่นใช่ไมมันก็ต้องยอมทุกอย่างคำว่าพอจึงไม่มีโยวพนา่เชื่อไหมคำว่าพอมันจงไม่มีเรามีลูกหาคนพอแล้วไม่พออีกทำไมไม่พอก็ไอ้ลูกหาคนไปมีผัวมีเมีย ม, ม, ม, ม, มีหลานอีกพอไหม นี่ถึงตัวพอถึงอ น, นิจจาวัคคิาลามันไม่พออย่างนี้ําเป็นเอาถ้วยมีนะเสพลูกโยมก็ต้องเยอะแยะพอกินไงแล้วเนี่ยก็ต้องไปซื้อถ้วยมาใหญให้พอนี่พูดทางโลกถ้าพูดทางธรรมตามมีตามเกิดถ้าตามมีตามเกิดทางธรรมะอย่างที่เขพูดการคนมาต้องร้อยคนมีการเสพลูกและกินข้าวแบบ่งมากินและการนึง เอามาทอดมาพลเรี่ตัด ก, กินรยนมันมันมันพวกแขกสิลปตาแขกศิลป์ตาขาเดียวกินตั้งสิบคนเนี่ยเขาวงเลยกินคหมุมกสมาสมาเลยไปฉันรวมา้าวถาลูกเดียวใส่แม่เต็มหมดกินคนละมุกคนละหมักถาเดยียวพออย่างประเทศไทยทำได้มไม่ได้นี่สิมันไม่พออย่างนี้นี่เกาหลีกไ็ได้พออย่ พอไปทุงก็ไมพอต้องต่างสลาขึ้นมาเพื่อบริการตึงต้อง ไ, อไม่พอชาปนิพผานมาได้พอมนะันนั้นเลิกเลิกหาไมา่ต้องแล้วนี่มีผพานเนี้ยตอนนี้เรายังอยู่ร่วมกันคนหลายคนทั้งผู้หญิงผู้ชายยังมีสวัสดิการและบริการคำว่าพอจะมีไหมจ๊อย่างเตือห้องอาสาสมัครพอที่ไหนพอที่ไหนอาขาดหมดแล้วก็ต้องเซอร์อีกเนี่ยมันพอแล้ว ซือแล้วก็ะเลือกันที่ไหมต้องใชแ้แล้วใช้เอกกันอย่างเงี้ยเดี๋ยวว่าขาดหมดหมอที่ไหนคนเก่าไปคนใหม่มาเงี้ยคนใหม่ปลไปคนเก่ามาเงี้มันไม่พอนี่มันจะเยียเนี่ยนี่เหตผลนี่เหตผลเตือจึงไม่พอหมอจะจะหมดเนี้ยหมอจะจะไม่มีเงี่ยมี่ช้อนจะจะหมดเงี้ยนะตอนที่พระทานเนสงี่ยมสมหลงปูงแหวนเนะี่ยอย่าลืมนะมากระเป็นรถรถติดคันรถ เลยสมมาสต้อมมาต้อมใส่รอถไปเขากินไม่ทานก็จะรรเรียบไปทอนสองรยคู่การอีกสอ้ลูกเรียบลอยหมดเลยตอนหลวงปูเ่เผาไปตั้งหลายปีแล้วยการยังไม่มากรงเลยเลยทมาเข้ามาพวกเราสูท่ทีมงานวัดเมทานางถวายทานด้วยความจําใจเถิดเลยต้องไปซื้อมาหยิบมาขอเลยขนะอไม้ม เอาใครมาเสียงกับเราสิไอ้คำว่าพอคือนิพพานเลิกถึงตัวพอเมื่าลายนิพพานได้เรายังไม่ถึงตัวพอเรายังมีตัวพออยู่มันไปนิพพานไม่ได้ก็ยังห่วงกูนั่นห่วงกูนี้อยู่นะนยโยผนีนะยังห่วงโยันีอยู่มันนิพพานไม่ได้จึงรอโยันีมาลายจะมาสักทีแม่พันีเลี้ยงเล็กเออเลยนะ อะไรอมันไม่พอเลยแม่ขูนเนยมันเคิดเคลื่อนต่างยู่ดับไปนะของไข้มันก็ต้องมีเกินดับไอ้ถ้ามันหมดไปตามสภาพที่วรเนี่ยสายไปนานๆก็ขาดมันก็หมดไม้ย้อมใส่เชื่ออะไรไมถ้าก็ต้องเปลี่ยนมันก็ขาดนะแต่ย้อมผู้หญินจะงลายอย่างนี้ก็ไม่ได้นับว่าคนหนึ่งคนที่พุดกันมั่งเนี่ยกว่าสิบชุดมา่งคนหนึ่งนะนะ นั่นแหะเกินเนี่ยคอที่ไดนเล่าทุดนี้ไปงานนั้นได้แล้วไปงานศอกทุดนี้ไม่ได้แล้วแล้วไปงานทานเลี้ยงเบาสาวทุดนี้ก็ไม่ได้แล้วมันต้องทุดสากอนเนี่ยมันน่อมคอที่ไหนแล้วแต่แตามาทุดสากอนทุดเดียวมาเช้าไปงานแต่งงานก็ทุดนี้ห่ยแล้วมาพูดตรงนี้ก็ไอตัวนี้เนี่ยนะเราจะไปงานศอกก็ไอตัวนี้เนี่ย คือกัดตีแล้วก็มายาแต่กัดตีหาย่างนี้พักเรียนชุกอย่างพอดีหน่อยแบบนี้เหตุผลทั้งโลกเอาเหตุผลทางธรรมกำหนดนักน้อยก็พอไม่พอคือบริการคือเหลือประชาชนมีพอที่ไหนย่างแต่คําเื่อพอต้องอนิกาลังท้าลาปาสโมทุโผหมดเวลาตึงพบอเกิดเตนี่เอยู่ตรงนี้เรามีโลกแโยมพันเ ลูกห้าคนสามคนก็พอไอ้ลูกมันไปต่อหลานมาให้แล้วมันพอที่ไหนแล้วต้องไปนั่งเลี้ยงหลานดูหลานไม่ดูก็ใจเจือดพอที่ไหนแล้วอ๋อหลวงพ่อคะไอ้หนูก็แต่งหมดแล้ว จ, จะจะเข้าวัดพูดหลายคนพอแต่งเรียบร้อยมาเงียบไปเลยพอไปเจอไงเล้วยอมเหลาจะมาวัดอ๋อหมูนี้ยงใหญ่เลยมันทําลูกไม่เลี้ยงซึ่แล้วไม่เลี้ยงก็ไม่ได้มันต้องไปทํางาน รอให้หนูมันโตก่อนออหนูแดงหนูเล็กมันตอก่อนจะเข้าวัดเลยนะหนาข้าวหนาข้ามาแล้วจะตอแล้วร้อให้หนาข้าวโรงเรียนก่อนเราอยู่โรงเรียนก็ต้องเล่าวบ้านต้อไปกองเด็กไปนูบานพอหนู บ, า น, า, นบานโตไปหนุ่มเป็นสาวข้าวแล้วฉันจะมานะคะไม่มีทางมาแล้วก็เดี๋ยวเล็กๆมันก็มีผัวอีกไปเยี่ยงกอคงไม่ไหวอีกก็มองเพลงตายปัจโมตุโขถึงตัวพอ มีเหตุผลเนี่ยเรลีเชื่อมั้ยพอจะไปได้ไม่ที่พูดเนี่ยเนอะถึงจะพอก็ทายพอดีนี่ยแล้วไม่มีพอที่นี่เลยยังไม่พอเกือก็ไม่พออยา่างหมอก็จะไม่ดีอาจะหนุนจัดก็ลาก็ไม่พอถ้าเขาไปซุมพอก็ไมส่องส่องศาลาแต่มันขัดข้องการบริการแล้วพระจะไปทำบุญที่ไหนมานั่งรวมก็ะายัดลม พระองค์เจ็บปาศิเช่นนี้มันก็หาที่นั่งไม่ได้ก็รเรียกว่าไม่พอถ้าพอมาอยู่ในใจไอพอตัวนี้หมายความไม่อยากได้ของใครไม่ต้องให้ใครเดือดร้อนเราหาด้วยความจัดโดดมากน้อยของท่านผู้นั้นเองแล้วหามาได้ด้วยความไม่เดือดร้อนของท่านผู้ใดได้มาด้วยความชื่นใจโด ย, โดยอัโตโนมัติโดยผู้นั่งนิสิตาที่จะช่วยเหลือกันคาว่าคำว่าพอในชีวิต นี่หคนะอย่างนะคนก็ไม่กระจายแล้วโอ้โหอาเพจมาเยอะหมดเลยนี่นะะเออหนี่นัวไปบอก็ลาติดไปหาตำรวจเนาะหลักฐานอ้าวต้องมีตำรวจนะต้องเยายามเพจนี่จะุ่งนละออดีแล้วดีแล้ว โอ้โหเดี๋ยวถ้าต้องเอากระดกมาไปเลยบางวัดเนี่ยยงเ็าบอกพอก็มาพายองผู้หญิงไปไปพักแรมวัดนั้นก็าบอกพอคนไปเท่าต้องร้อยกว่ามีห้องน้ำของหลวมอยู่ห้าห้องแลวพลักรใชาเนี่ยแล้วเราก็ไปพักใช้ที่เรียบตายแล้วพอ แต่ต้อมาปวดท้องเนี่ยเข้าในป่าไปเลยมันเมื่อยจนเคยไปแล้วกระป่าไปโยมก็เข้าห้องน้ำจนหมดแล้วยังไปนั่งข่าคิวอีกนี่พอไหมอนะ่ะขอถามหน่อยพอไหมมีห้าห้องทั้งวัดเลยเนะี่ยแลพระกระช้อยู่ตรงเนี้พระมันอยู่แปดองค์แล้วเราไปก็ต้องร้อยกว่าก็าต้องไปข้างแรือไปข้างแรือขึ้นมาอาบนะ้ำก็ลำบากเหลือเกิน ความสะดวกไม่มีคำว่าพอมันก็ไม่มีคำว่าพอมันไม่พอใช้แต่คำว่าพอตัวนี้หมายถึงว่าพออยู่ในใจไม่โลภไม่อยากไปได้ของใครเขาเดือดร้อนนี่พออย่างนี้กันโดดในงานของเราและมักน้อยในของที่มีอยู่ไม่หมายความว่าเราจะไปแย่งใคร้ามาไปโกงใคร้ามาอย่างนี้แต่มีเงินไปซื้อมาก็ผู้จ้ามือวะ เราใช้เฉพาะไปส่วนเงินของเราที่หามาได้ด้วยความยากหามาด้วยความลาบากอย่างนี้เป็นการถูกต้องที่เรามาใช้ไปประโยชน์แต่เราใช้ไม่มีประโยชน์นะไปงานได้ความว่าพี่เจ้ามาส อ, อนเอาไปใช้สู่รุสุราชไม่เป็นประโยชน์ต่อการใช้เกิดประโดยชน์ในของตอน้นนี่ยังไงคะแต่เราไปใช้โดนไม่มีประโยชน์เลยเนี่ยไปทิ้งไปคว้างเนี่ยนะทีนาเทียวหามาด้ความยากได้เงินมาด้วยความลําบากเช่นนี้ แต่คำว่าโลกมากเนี่ยหรือไม่พอเนี่ยไปกองเข้ามาเนี่ยได้ก็อเอาเสียไม่เอาด้วยนี่คนประเภทนี้นะฮะนี่ต้องยังแยกประเภทต้องแยกออกไปแต่แต่เราเนี่ยสร้างเงินก็โลกมากไม่ใช่มันไม่พอต่อการประชาชนที่กำมือเบญปุชนเราก็ขยายออกไปอย่างนี้เหมือนเราขยายบริษัทเรามีลูกสองคนก็หามหุ้นส่วนจากัดไอ้ลูกเราสองคนไปมีหลาน ก็เรียกว่าบริตัดก็ขยายล้านให้ล้านนี่มันก็ต้องพอได้อย่างไงก็ต้องขยายเขาอยู่เย็นไป็สุขการแต่เขามาสะโดดนับน้อยจิติกาสอต้องแยกแยกออกไปโดยอากาธิบายว่าส้โดดของที่มีอยู่อย่าไปส้โดดแบบที่เราไปเอาของคนอื่นเขาโดยชาเหตุอย่าไปคลงเข้ามาอย่าไปเลียงแทนเข้ามาเนี่ยอย่าไปเบียดเบียนเข้ามาเนี่ยอย่างนี้เนี่ยเราได้มาด้วยความถุกจลิตธรรม และเรายินดีของที่นี่อยู่มีสามีก็ยินดีเฉพาะสามีของตอนมีภรรยาก็ยินดีเฉพาะภรรยาของตอนมีลูกมีหลานก็ยินดีเฉพาะลูกหลานของตอนที่จะให้ผลในวิชาการหลักฐานแต่เขามีหลักฐานต่อไปนี่ยังมีสัญลโธสัง น, อน้นอยบางคลอธิบายมากระจาจเลยก็นทกว่าเขาสัญลโธสังนนท์คือมานั่งกรรมฐานเลยตาพระบาป ท, ทิ้งหมดเลยไม่ใช่นยะไม่ใชนะ่อยากได้ในสิ่งที่มีประโยชน์ แต่สิ่งที่มันมีโทษอย่าไปเอาดาเนิน ง, งานมาจากนี่นี่แยกประเภทอธิบายประชาชนทุ่มเงนไปนะมันแยกออกเนี่ยอย่างทุ่วัดเราจะมีพอได้ไงประชาชนมาตั้งร้อยสองพันแล้วก็มีมีที่อยู่อาศัยนี่เรียกว่าไม่พออย่างนี้นะสามารถดาเนิน ง, งานได้ทำไมพอคือแบบโลกมากอยากได้ของเขาไปกองเข้ามาไปเมียดบางเข้ามา พอลาบางหลวงมาเนี่ยอย่างนี้ไม่ถูกต้องไม่สมควรในหน้าที่ของก้อนพิจาสอนอย่างนี้พอที่สุดก็ไม่รลกมีธรรมไม่มีแล้วก็คือตายไม่มีอะไรอีกแล้วนี่เรียกว่าพออย่างนั้นแต่พอที่นี้ไม่เกินหมายความว่าเราจะต้องไม่ต้องการอยากได้ของใครเนี่ยแต่เราอยากได้โดยน้ำพักน้ำแรงเอง แลได้มาด้วยความเหนื่อยยากได้เงินได้ทองมาเองแล้วเงินทองไปก่ายเกิดประโยชน์เงินบริการและสวัสดิการีนบ้านเราให้ลูกให้หลานเรียนหนังสือให้บรรพกับลูกเราอากับหลานเราอย่างนี้แต่เอาเฉพาะลูกเราถหลานมันเกิดมาไม่พอเราจะทิ้งหลานห้อยค้ายไว้ยัง่ะก็ต้องช่วยหลานต่อไปอย่างนี้ไปอาว่าไม่พอแล้วแต่พระบองอองยอมเลิกแล้วก็บาดออกไปไม่ได้ทำบุญไม่หมด หลานก็ทิ้งลูกก็ทิ้งผัวก็ทิ้งเมียก็ทิ้งอย่างนี้พออย่างนั้นเก่งมั้ฟังผิดเนี่ยแล้วอธิบายไม่ถูกนะเนี่ยมีอย่างจริงอธิมายผิดหลักมันจะไปพออย่างนั้นได้ยังไงแต่างโยมมาจนเยอะนางมีเขายิงนางสองตัวมันก็พอแค่สองคนอีกค น, นมันพอจะทํานี่ยไม่ได้รับความสะดวกสบายนะพุทธเจ้าสอนมาหนึ่งให้มีความสะดวกตสองให้มีความสบา ย, ส า, ส, บายสามปลอดภัยคืจะตัดสิน สี่มีที่พึ่งทางใาสจะตัวปลายเท่านี้นะสี่นี่ยเนี่ยกลับมอย่างอื่นไม่ถูกต้องแล้วก็ไปบอกมินยาญาติน้องสัดปไปมาวัดเราไม่ต้องตะตังไม่ต้องมีเงินมีทองมาทมลลมําบุญหรอกไม่ยังไงก็มาอย่างนั้นนะต้องการอยากได้ยอดบุญ ยอดชีวิตคือกรรฐานเพราะญาติโยมติดตัวไปเนี่ยเงินทองเนี่ยพอจ่ายข่ารสละมาทาอาหารเนี่ยพอมีเลี้ยงกันอย่างเนี่ยถนนมันน้อยมียังไงก็กินอย่างนั้นเถอะมีข้าวต้มมีข้าวสวยมีน้ำปลาน้ำยังไงก็ช่วยบริการหน่อยกรรมมาไม่หวงหวงอดหมดไม่มาเราไม่หวงกันเราไม่อดเราไม่หวงกันเราไม่อดหมดมาเรื่อยเื่อยเราหวงต้ออดแน่ มีรแรงกระสุนคนจริงกระสุนคนใช่พอให้สร้างแต่ฐานทัพคือกรรมฐานแล้วมีดีติดตัวไปพอใช้ไม่จําเป็นต้องมาช่วยขานวนขานีข า, ขาน้ำํำขานไฟแต่เราจะทําบุญก็อีกประเภทหนึ่งนะอย่าทําบุญให้มันเกินกําหนดอยากโกลนเกนิดเกินกดเกณฑ์ของเรามันจะมันจะเดือดร้อนทาบุญอย่าให้เดือดร้อนทําแล้วมันทองใจทําใจสะอาดหมดจดเอ่านี้พอเนะี่ย เนี่ยต้องการอย่างนี้นะต้องคารมาทําบุญหมดกระเป๋าเลยกลับไปนะก็ไม่รู้โมก็ไม่เห็นกปฏิก็ไม่ไย้ายเลยกลับไปบ้านบาโอบอ่อแตบเลยก็เอวังนี่หน่าที่กา้ไม่ได้เลยเลยเนี่ยต้องการจุดนี้เนี่ยขอเปิด อ, อกให้ยอมฟังแต่ใจ ว, ว่ามาเนี่ยต้องบอกบุญบางแห่งบวชทีพรามโสวดสํมโนโครัวเอาไว้ถึงหน้ากระถินมาปาดีกาไปตามไปสนีเลย าการทำบะรมีบอกไว้สำนึกตัวอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วอันนี้เราไม่มีอย่างนั้นนะเราต้องการจะกระโดดมากนอา้อยโดยการที่ทําบุญคุกรรษในจิตใจทั้งตอนแต่ทานบารมีเรื่องอื่นนะจะเลือกของโยมส่วนตัวมันไปต่างหากเนะี่ยทำอะไรข อ, ขอให้มันสะดวกกายสะดวกใจกระดวกไปสะดวกมามันก็ได้จประโยชน์ในชีวิตต่อไปนะนอย่างเนี่ย อันนี้ขอฝากแนวไว้ด้วยใครมาก็ปฏิบัติตามหลักปฏิญาด้วยอย่าทำให้เสียปฏิกาของการกรรมฐานของเชื้อหลักปฏิกาด้วยเดี๋ยวมันมันอดล้นคนไม่ได้ก็มันจำเป็นบางข้อก็ต้องราย ง, งานให้พระหรื อ, อแก้ไขปัญหาเสียมีอะไรก็ต้องเล่าถู่มันฟังมันตรวจมนไว้พระเป็นนิกอธิษฐานจิตเป็นประจำโหติกรรมต่อทุกคน อธิษฐานติดหมายความว่าสมาธิภาวนาให้เส้นแข็งทุกวันแล้วเราจะเรีอธิษฐานเชื่อหนูติดตามต่อปิการชนแล้วก็แผ่เมตตาไปต่อคำในเวรทุกวันเราจะได้หมดเวรหมดกรรมกันทีนะอย่าใช้ไปต่อคำคำเข็ญต่อไปัญญาพุทเลยสร้างความดีมีปัญญาต่อการเมียอะไรก็หนักนิดเบาหน่อยให้อภัยกันแล้วปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นการฝึก มีการโปรดหนอะรูเนอะพิดหนอเป็นต้นแล้วความเข้าใจก็จะเกิดขึ้นมีอายก็นกหนักนิดเบาหน่อยโปรดให้อภัยเอาล็รกผู้ใหญ่เป็นหลักฐานในกิจกรรมของการกรรมฐานมีละยก็ขัดข้องบอกคกูหน้าการไม่สามารถจะแก้ไขได้ก็กราบเรียนมาถึงตามาตาม า, ต า, มาช่วยทุกอิทิทางบางทีเก้านี้เอาละทิศทางนี้ขอญ า, าติโยมกรรมฐานให้กติโอว่าทรอมุมควรเกิดเวลาแล้ว เป็นคติธรรมอันสำคัญที่จะต้องปฏิบัติทมอันอย่างเช่อแข็งต่อไปด้วยขอความสุขความเจริญตรงมีแก่ทุกท่านและสงหอบงามภัยบูรณนปศาสนาขององค์สมเด็จตั้งมาพี่เจ้าโดยทั่วนาการน่าโอกาสบัด น, นี้เพิน